จเจริญธรรมทุกๆคนวันนี้ก็เป็นวาระที่อาตมาจะได้แสดงธรรมเทศนาตามที่ได้อรัถนาไว้ว่าจะให้แสดงธรรมก่อนชั้นตอนช่วงนี้ไปถึงสิบเอ็ดโมงกำหนดเรื่องมาให้อาตมาเทศโดยว่าเป็นเรื่องพระราดรระภาพพระราดรรภา พ, พ พระราดรภาพก็ได้พระราดลรภาพกับไภัยไทยเฉยพระราดลรภาพเนี่ยคือความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นพี่เป็นน้องส่วนไภัยไทยเฉยนั้นมันตัวเห็นแต่ตัวตัวใครตัวมันแล้วก็เกิดเป็นภัยเพราะความเป็นไทยเฉย ใครจะเป็นจะตายยังไงเฉยเราเฉยไปหมดเลยอใครจะอะทุกข์ร้อนลําบากลําบนยังไงข้าก็เอาตัวรอดของข้าไปไม่เกี่ยวว่าใครเฉยวางเฉยอย่างเง้ยนะมันสูงสุดเลยนะโอ้ยเรานี่มีธรรมะอันสูงส่งอุเบกขาเลยมันเฉยไออย่างงี้แหละเป็นความเข้าใจที่ผิดอเข้าใจธรรมะอันเป็นสัจธรรมแท้ๆไม่ถูกต้อง มันเกิดเป็นภัยจริงๆกับคำว่าเฉยเนี่ยคำว่าวางเฉยโดยที่เรียกว่าเฉยเดอเนี่ยอตาตมาเรียกเฉยขาเกอุเบกขาเกออุเบกขาเกอหรือเฉยเดอเฉยไม่เข้าเรื่องเข้าราวนะมันก็เลยเสียหายไปหมดเลยทําให้สังคมเดือดร้อนไปหมดมันไม่มีเยื่อใหญ่ของความเป็นพ ร, ราดอรภาพ พระราดอรภาพนี่คือลักษณะของพี่น้องจะต้องดูแลกันช่วยเหลือกันใครตกทุกข์ใดยากใครมีความเดือดร้อนลําบากลําบนอย่างน้นอย่างนี้ขาดแคลนอะไรช่วยกันหมดความเป็นพี่น้องคืออะไรค่ัเป็นญาติหรือพี่น้องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสายเลือดนะที่แท้จริงสัจธรรมแท้ๆเนี่ยศัจธรรมแท้ๆของเขาว่าพี่น้องในหมายความว่าผู้พึ่งกันและกันได้ ช่วยเหลือกเกื้อกูลกันนั่นเรียกว่าพี่น้องดูแลเลี้ยงดูกันจนตายนั่นคือพี่น้องนั่นคือสาระเพราะงั้นถ้าเผื่ว่าใครเป็นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าออกมาทางสายเลือดมีลูกมีหลานมีอะไร เ, เกิดขึ้นมาแต่พฤติกรรมไม่ได้ดูแลกันพ่อแม่ก็ไม่เอาทานเอาเรื่องเอาเราวอะไรก็ลูกลูกเต่าๆต ล, ล้านล้านล้นเลนอะไรไม่เอาเรื่อง รอยปลาแล้วเลยใครจะเป็นจะตายยังไขขงข้าของข้ามีความอยู่ดีดีมีสุขมีความสบายของข้าคนนั้นะจะลูกจะหลานจะเป็นจะตายยังไงแม่เป็นสายเลือดแต่พฤติกรรมไม่ได้มีพฤติกรรมโดยเฉพาะจิตใจไม่ได้มีความเข้าใจและไม่มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลลูกหลานเลยแม้จะสายเลือดให้ตายยังไงมันกไน็ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่พี่น้องโดยสัตธรรม เพราะสศจธรรมไม่ได้เอาที่สายเลือดเท่านั้นความเป็นพี่น้องเนี่ยฟังให้เข้าใจเลยสศจธรรมอัตมาเนี่ยมาทำงานศาสนามาสร้างพี่น้องมาสร้างครอบครัวใหญ่มีญาติติดธรร ม, เ ป, รมเป็นญาติทั้งนั้นเลยญาติทางสายวิญญาณสายจิตวิญญาณไม่ใช่สายเลือดหรอกอตรวจอีเดนเอแล้วตรวจไม่ไม่ไม่ใช่ตระกูลเดียวกันแน่ ตัวเอ็แล้วไม่ใช่ตระกูลเดียวกันแน่แต่ตรวจทางจิตวิญญาณอาตมามั่นใจว่าจิตวิญญาณของพวกเรานี่เป็นขอใช้สับซ้อนกันแล้วกันจิตวิญญาณของพวกเรามีดีเเดียวกันอาตมามั่นใจเป็นดีเเดียวกันเป็นตระกูลพุทธเป็นตระกูลโลกุตระหรือเป็นพวกอาริยะพวกอาริยกะที่แท้จริงมีจิตวิญญาณอย่างนั้น และจิตวิ ญ, ญญาณนี่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงอ่าจิตวิ ญ, ญญาณนี่เป็นตัวนําเลยนําร่างขันนี้แหละจะเกิดกายกรรมวจีกรรมอะไรออกมาก็มาจากจิตวิ ญ, ญญาณก่อนในกรรมสามเนี่ยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเนี่ยมาจากมโนเป็นประธานนี่เป็นความตรัสรู้ของปอ่าของนักวิทยาศาสตร์ชั้นเอกของมหาจักรวาลไม่ใช่ของโลกเท่านั้น เป็นนวยศาสตร์ชั้นเอกของมหาจักรวาลคือพระสมมาสะพพุทธเจ้าแต่คนพบสิ่งนี้ตัดสรู้สิ่งนี้แล้วเกิดเป็นจริงได้เป็นจริงได้จนมีวิธีการจัดการกับจิตวิญญาณวิธีการจัดการกับจิตวิญญาณนั้นผู้ใดเรียนรู้ตามหลักธรรมเจา้าแล้วก็จะจัดการกับจิตวิญญาณเป็นภาษาบาลีเรียกการทําจิตวิญญาณเป็นนั้นว่าโยนิโสมนสิการ มนติการาแปลว่าการทํากับจิตวิญญาณเราจัดการกับจิตวิญญาณของเราเรียกว่ามนติการเป็นการกระทําการกับจิตวิญญาณของเราทําได้อย่างถูกต้องท่องแท้เรียกว่าโยนิโสทําได้อย่างถูกต้องอย่าท่ อ, องแท้อย่างละเอียดละ อ, อเลยแยบคลายลงไปถึงที่เกิดทําไปแก้ไขที่ที่เกิดตัวที่มันจะพาเกิดพาเป็นพาเกิดชั่วพาเกิดเลวพาเกิดไม่ดีไม่งามบกพร่อง จัดการตัวนั้นออกกําจัดตัวนั้นออกไปเรียกว่าตัวผีเรียกว่าตัวร้ายตัวอกุศลจิตตายจริงๆดับมอดไม่เกิดอีกในจิตใจเราอีกเลยจริงๆนี่เป็นความรู้เป็นนักวิทยาศาสตร์ของมหาจักรวาลคนพบและเอามาประกาศให้โลกปฏิบัติตามเมื่อโลกปฏิบัติตามแล้วจึงเกิดตระกูลใหญ่ในวรรตระกูลพุทธตระกูลเป็นอาริยะที่แท้ เป็นตระกูลที่เป oh, ็นพี่เป็นน right. ้องกันเป็นญาติเ oh ป็นพระราดอนที่จริงเป็นพระราดอนที่จริงพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งแก่พึ่งตายกันได้แม้จะเป็นสันไม่จะเป็นเชื้อชาติแขกจีนฝรั่งไทยลาวอะไรมามาเป็นตระกูลเดียวกันหมดนะจะเป็นคอเคเซียนนิโกเลียนมองโกเลียนอะไรมามาเป็นตระกูลเดียวกันหมดสลายความเป็น อรูปธรรมหรือว่าเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องของทางทาธาตุสารธาตุทางธาตุ ท, ทางวัตถุไปได้เลยมีจิตวิญญาณเป็นตัวจัดการมีพฤติกรรมของความเป็นพี่น้องที่แท้จริงเพึ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้จริงๆเป็นพระราดรนระพอันนี้อาตมาเองอาตมาทำงานมาภาคภูมิใจมากทำงานมาไม่กี่ปี ยากแสนยากคนไม่เชื่อถือนอกจากไม่เชื่อถือแล้วจะปราบปรามด้วยไม่ให้อัตมาเผยแผ่สูตรนี้ไม่ให้เผยแผ่ทฤษฎีนี้อที่เป็นของพระพุทธเจ้าซึ่งอัตมาเห็นว่าคนที่เอาสูตรพระพุทธเจ้ามาหลอกเอาสูตรพระพุทธเจ้านั้นมาพลิกแพลงมาทําเสียหายมาทําเพียนผิดไปจากของจริงน่มีจริงละเยอะ อตาตมาก็จำเป็นที่จะต้องรักษาความถูกต้องหรือว่ามาพยายามกระทําสิ่งที่มันถูกต้องมันถูกอย่างดีที่แท้เป็นสัจจะที่แท้ตามความมั่นใจเชื่อถือมั่นใจของอตาตมาเนี่ยอตาตมาก็ก็ต้องมาทาเพราะว่าอตาตมาเองอตาตมาประกาศประกาศต่อสังคมออกไปตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงขณะนี้ปัจจุบันนี้ว่าอตาตมาเนี่ยออกมาสืบสาร สืบสารสูตรหรือทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้สืบทอดเพื่อผู้หรือขนสัตว์หรือผู้สืบทอดธรรมะพระพุทธเจ้าอัตมาก็ประกาศไปว่าอัตมาเป็นโพธิสัตว์แล้วก็ทําจริงๆทำได้ความมั่นใจทำได้ความจริงใจอุตสาหะิริยารู้ว่ายากแสนยากนรู้ว่าถูกต้านถูกที่ถูกต้านในทั้งผู้ที่ไม่รู้จริงๆว่าของอัตมานี่ถูกต้อง เขาไม่รู้จริงๆเขาก็ต้านก็เห็นใจเหละก็เข้าใจอยู่ผู้ที่พอรู้บ้างม่ยังไม่แน่ใจก็มีที่ต้านผู้ที่รู้ชัดเลยว่าอาตจจมาี่ถูกต้องอแ บ, บ่งเป็นสามหนึ่งพวกไม่รู้สองพวกที่รู้บ้างไม่รู้บ้างเอ๊ะมันก็ท่าอาจจะถูกหน้าอะไรยังคลุมเครือส่วนพวกที่รู้ยอมรับเลยว่าอาตจจมาพูดนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่คนเหล่านั้นเขาได้ ได้เสวยสุขจากผลของเขาที่ได้ได้อย่างผิดๆนั่นแหละได้ลาบยศสั้นเซิญได้เสพสุขเป็นโลกีของเขาเขาก็ติดในเรื่องเหล่านั้นติดในเรื่องโลกธรรมที่เขาได้เขาก็ต้านอาตมาทำลายอาตมาเพราะไปทำลายที่เขาติดสิ่งที่เขาติดเขายึดแม้จะรู้แสนรู้ว่าอัตมาถูกต้องเขาก็ต้านนี่มีการ ไม่ร่วมมือหรือคนในโลกหรือในประเทศไทยเนี่ยที่ต้านนตมาจึงมีอยู่มากผู้ที่รู้จริงๆแล้วก็ยอมรับและเห็นด้วยนั้นมีอยู่ก็สามอย่างเหมือนกันอย่างที่หนึ่งก็คือเห็นดีเห็นด้วยมาเอาเลยเข้ามาปฏิบัติประพฤติเอาตามเลยอย่างที่สองก็คือเห็นด้วยบ้างแต่ก็ยังไม่เอายังขอเป็นโลกโลกอยู่บ้างนะ เขาก็ไม่มามาบ้างมานะก็ก็เรียกว่าบางครั้งกะผีเข้ากบต้านผีไม่เข้าก็เออสนับสนุนอยู่อย่างนั้นน่ะเนพวกกลางอีกพวกหนึ่งนั่นน่ะไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยให้ดีให้ตายยังไงกูก็ไม่เอาน่ะตอยก็เข้าใจให้เขาเห็นดีเห็นงามยังไงก็ไม่เอาจะต้านเพราะเขาเสียเขาโลกธรรมที่เขาได้ เขาเสียโลกธรรมที่เขาได้เขาได้บรรลังโลกธรรมแล้วแล้วเขาก็ติดโลกธรรมจัดดียังไงเขาก็ไม่เอาชาตินี้เหมือนกับสังคมโลกที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยคนที่เขาติดลาบยศชั้เสือดกียสุตุวันนี้เขาทาชั่วคุณนึกคิดออกง่ายๆดา ว, ดาวออกง่ายๆเต่ว่าสังคมทุกวันนี้สังคมไทยเนี่ยที่มีพฤติกรรมให้เห็นชัดแจ้งอย่งนี้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการที่ทุจริตอยู่เห็นต้องๆเนี่ยอาจจะมาถามหน่อยข้าราชการต่างๆที่ทุจริตอยู่เนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าไอเ้เขาทําทุจริตถามหน่อยเขารู้ไหมว่าเขาทุจริตรู้ไหมรู้ทั้งนั้นแหละรู้ทั้งรู้ว่าทุจริตแต่เขาสู้อํานาจกิเลสที่เขาจะเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่คนทําชั่วขณะนี้นี่อุ้มฆ่าก็ตาม ทำลายกําลังผลานทรัพยากรของประเทศชาติอย่างขณะนี้อย่างหนักอยู่นี่ก็ตามเ้าก็รู้เช่นเดียวกันรู้แสนรู้เพราะมันหยาบกว่ากันมันใหญ่กว่ากันมากนะเพราะว่าธรรมดาคนเราดิไอแมงวีนี่ตาคนมองเห็นใช่ไหมอันนี้มันตัวเท่าช้างนะมองไม่เห็นได้ไงความผิดเนี่ยมันไม่แค่แมงวีนะมันตัวมันโตเท่าช้างนะมองไม่เห็นได้ไง นต่อยคนตาบอดยังเห็นเลยช้างอ่ะนเพราะงั้นเขารู้อยู่ว่าไม่ดีชั่วเลวร้ายเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมันสังคมประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยลงมาทางใต้เนี่ยลงมาทางพังงาเมื่อกี้อัตมาก็เดินไปทะเลคนก็ลอยฟังโอ้ต่ก่อนนี้ที่นี่หากินทางดีบุกทำตะกร้อทำดีบุกโอ้ย อทํากันอย่างเต็มเลยทะเลก็ทํากันหมดทั้งบนพื้นดินนี่ก็ขุดกันแม้แต่ร่องรอยขุดกันก็เยอะทําดีบุกกันเดี๋ยวนี้หมดแล้วดีบุกเพราะตอนนี้มันถูกเลวบุกมันถูกเลวบุกเลยมีแต่เลวบุกกันเดี๋ยวนี้ดีบุกหาไม่ได้ประเทศไทยหาดีบุกไม่ได้มีแต่เลวบุกนะเลวบุกเยอะเลยทุกวันนี้ยเลวบุกกันจนกระหน่ำใจจริงๆเลย อนี้เรื่องจริงนะอาจามาไม่ได้โมเมไม่ได้พูดเล่นเพราะที่มาเข้ามาแดนนี้นี่แดนดีบุกแต่ก่อนนี่เป็นทรัพยากรที่นี่เขาพึ่งพาอาศใช้เลี้ยงชีวิตมาเดี๋ยวนี้มันก็ร่อยร้อยจนกระทั่งมันไม่มีแล้วตกลงว่าก็เลยไม่มีใครหาดีบุกเลยเลยมก็เลยเป็นเลวบุกกันหมดเลยกลายเป็นอย่างนั้นไปนะตกลงทุกทุกวันนี้เนี่ยนะคนเราไม่เข้าใจถึงสัจธรรม ไม่เชื่อว่าสัจธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์พึงได้พึงสแสวงหาพึงอุตสาหะเอาให้ได้ไปเห็นในเรื่องอออรสชาติของโลกีสุขเพราะได้ลาบได้ลาบมามากมีอำนาจในลาบเอาลาบฟาดหัวผู้หัวคนไปดีเพราะเพราะได้ยศมีอำนาจก็เอายศมาเนี่ยเห็นอยู่ตลาดอยู่ในประเทศไทยเนี่ย เอาลาบด้วยเอายศ ด, ด้วยเอาอำนาจตำแหน่งหน้าที่ด้วยเบียดเบียนมนุษย์ทำร้ายมนุษย์อย่างรู้ทั้งรู้อย่างที่อาตมาพูดไปแล้วทำชั่วได้ขนาดนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นสภาว่าของเลวบุกเนี่ยมันจึงชัดมันไม่ฟังเสียงอะไรเลยมันเลวบุกจริงๆเห็นไหมาอาตมาพูดเนี่ยอาตมาอาตมาอธิบายสัจธรรมนะอาตมาไม่ได้มาหาเรื่องหาราวอย่ามาเอาอาตมาอุ้มอาตมาไปนะ อ่ามาอุ้มอาตมาไปนะอาตมาตายได้เหมือนกันนะะทําเป็นไม่เล่นไปอาตมาไม่ใช่ว่าอยู่ยงคงกพันแล้เอาไปอุ้มไปยังไงก็ฆ่ายังไงก็ไม่ตายไม่ใช่นะไม่เก่งเท่าพระโมคคลานะอฆ่ายังไงก็นิรเดดแสดงตัวฟื้นขึ้นมาได้อยู่ทุกทีอาตมาไม่ได้แต่ตายแล้วตายเลยนะอาตมาในฆ่าทีเดียวตายแล้วตายเลยเลยไม่ต้องฟื้นเลยเพราะงั้นก็ไว้ชีวิตอาตมาหน่อยเถอะนะ อาตมาว่าอาตมาเองเนี่ยเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกจริงๆนะนะลูกทางจิตวิญ ญ, ญาณนะลูกใครรู้สึกไหมว่าได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าอยู่บ้างลูกล้านโรนเลนโรนอะไรก็แล้วแต่ใครรู้สึกบัง้งโอ้โหจริงหรือเปล่ า, าโมเมหรือเปล่าเอาให้ได้อาตมาอธิบายแล้วพระราดรภาพว่ามันเป็นเรื่องของเชือ้อเป็นเรื่องของเชื้อพันธุ์ พระพุทเจ้ึงตรัสว่าไอ้เชื้อพันนี้มันไม่ได้เป็นจากสายเลือดเป็นจากกรรมกรรมพันธุกรรมสกมหิกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุเพราะฉะนั้นกรรมพันนี้เกิดทางกรรมพันกรรมพันที่เราเรียกว่ายีนติกเนี่ยมันคือมันคือทาง ทางเชื่อมต่อกันทางวิญญาณทางกรรมเพราะฉะนั้นทางสรีระนี่มันก็เชื่อมต่อกันจริงมันหยาบท า, ย ท, ายทางสรีระน่ะเป็นยีนทางสรีระยีนเติกทางสรีระเนี่ยมันมันหยาบอัตมา ถ, ถึงคานแย้งอยู่ว่ามาเรียกว่ากรรมพันธุ์เนี่ยเฮ้ยตื่นเขินไม่ถูกหรอกมันไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ที่แท้เพราะว่าอัตมาเอามรทำดึงมาเป็นพันธ์พระพุทธเจ้า ก, กันได้เยอะแล้วเนี่ย เมื่อกี้นยยกมือกันคลื่นเลยดึงมาเป็นพันมาพุทธเจ้านี่ได้มาแล้วเกิดจากกรรมไม่จะเกิดจากการใช้ เ, เชื้อทางสรีระใช้เชื้อไปทางวัตถุธาตุทางดินน้ำไฟลมทางเตไ อ, อทา ง, ทางมหาพุทธ ร, รูปแต่ใช้เชื้อทางจิตปัญญาซึ่งจะเกิดได้ด้วยกรรม เพราะฉะนเราสามารถเรียนรู้กรรมกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมเป็นประธานอย่างที่พระเจ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ของมหาจักรวาลเนี่ยได้ตัดสรู้และเอาความจริงนี้มาประกาศให้พิสูจน์ใครยังมานั่งนั่งอยู่นี่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณนะสามารถที่จะเปลี่ยนพันธ์เปลี่ยนพันธุ์เรานี้ได้ให้เราออกจากพันธ์เก่ามาเป็นพันธ์ใหม่มาเป็นพันธ์แบบพระพุทธเจ้าได้ เป็นชาวโลกุตระเป็นพันโลกุตระไม่ใช่พันไปเป็นาธาตุโลกียะอยู่อย่างเก่าได้เปลี่ยนพันลงมาจริงๆเลยมีจิตใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงมีสุขมีสุขอยู่กับความที่ไม่จําเป็นต้องไปที่ได้แย่งชิงลาบยศสันเสริญโลกียะสุขเป็นการเป็นอัตตาอะไรของเขาแล้วเราก็มาสงบสบายชีวิตของเราก็ขยันมันเพียนจริงๆแล้วนี่นะขยันมันเพียงกว่าเก่า กว่าเก่าแต่มันไม่เร่งร้อนในกิเลสของคนนี่เวลามันจะโอ้จะจะ้อแย่งชิงลาบยศสันเซอร์นอร์กียสุกแย่งกามอย่างอะไรนี่มันเร่งร้อนน่ะมันเร่งร้อนเร่งแล้วมันร้อนมันต้องรีบรีบรรเราก็เลยดูมันเหมือนมันมากมันแรงแต่จริงๆเป็นพักๆแต่พวกเราเนี่ยไม่เร่งร้อนไปเรื่อยๆแต่เรื่อยๆติดต่อไม่เป็นพักๆ เพราะมันต่อเนื่องมันเป็นจริงมันเป็นฐานจิตที่จริงเพราะมันขยันต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเร่งร้อนนับปริมาณที่ได้แล้วมันมากกว่าเร่งพวกเร่งร้อนทั้งหมดเนี่อ่ามันจะเป็นพักๆเร่งร้อนไปเรื่อยๆทุกคนผ่านชีวิตมานั้นรู้นะเวลาเราอยากได้เนี่โหชีจ้าลุนแดงเสร็จแล้วมันเมื่อยเว้ยพักบางทีได้แล้วก็หยุดหรือไม่ได้ไม่ไหวแล้วสู้ไม่ได้ก็หยุดใช่ไหม แต่อันนี้เนี่มันาวรมันมีความสเถียนทางด้านสัจธรรมเนี่ยเพราะวันหยุดแล้วมันพักแล้วมันก็ขยันแล้วมันก็รู้เดี๋ยปัญญาปัญญาควรทำเพราะฉะนั้นผู้ใดที่บรรลุธรรมพระเจ้าแล้วก็จะเกิดกําลังกําลังอันนี้เป็นกำลังแห่งสัจธรรมที่พระเจ้าท่านตรัสว่ากําลังคืออะไรเป็นเครื่องแสดงวิมุติเป็นเครื่องแสด ง, ง, สดงกําลังเพราะฉะนั้นคนยิ่งมีวิมุติเนี่ยยิ่งมีกําลังมากคนที่มี พลังทางโลกนึ่งว่าแม้เป็นพลังจีจาจีจาออกมาบูบาทบวบาทบวบาทนั้นชั่วคราวชั่วพักเดี๋ยวก็หยุดแต่ของพระพุทธเจ้านี้พลังนี้จะต่อเนื่องจะเจริญแล้วก็มีแต่จะเจริญนําหน้าตามไปเรื่อยๆไม่มีหยุดจเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยเป็นพลังกําลังที่สูงพระพุทธเจ้าท่านสรุปกําลังของวิมุตตินี้ ผู้ที่ศึกษาตามพุทธแล้วจะมีกําลังวิมุตดแตกออกมาได้แยกออกมาได้เป็นสี่อย่างคือกําลังปัญญาเรียกว่าปัญญาพละกําลังวิริยะพละอันที่สองคือกําลังของความเพียรความขยันหมั่นเพียรอันที่สามอนวัชพละเป็นกําลังของการทํางาน งานที่ทํานี่ถูกคัดเลือกนะงานที่ทํานี่เป็นงานที่มีปัญญาเลือกเฟนแล้วว่าโอ้งานเป็นเอางานที่มันเป็นอบายมุกงานที่มันเลวร้ายไม่เอามันมีปัญญาจริงๆเลือกเฟ้นไม่ทํอาอไม่ทําถ้ามีภูมิมาทำสูงแล้วเอามาจ้างเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ทํายังไม่สูงมีกิเลสอยู่บ้างจ้างมากพอส้งควรคี้โลภอยู่เห็นแก่ได้อยู่ก็ทําบ้าง แต่คนที่ชนะแล้วไม่มีความเห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวเลยลดโลภได้ครึ่งขีดจา้างอะไรก็ไม่ทาความชั่วความผิดไม่ทำจริงๆเพราะยานิพลังอันนี้มันเป็นพลังที่เกิดจากสัจธรรมที่ปฏิบัติเป็นวิมุตติได้ก็จะมีพลังปัญญามีพลังวิริยะมีพลังทาการงานอันไม่มีโทษแล้วก็มีพลังในการสังคาะ สังหาพละเป็นพลังในการสร้างมาแล้วก็เอามาแจากจ่ายเพื่อคูนเอื้อเฟื้อเจือจานเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นพี่เป็นน้องแท้โดยใช่เหมือนเท่านั้นนี่แหละพี่น้องอยาพระราดอนระภาพความเป็นพี่น้องทางทางจิตวิญญาณหรือความเป็นพี่น้องที่มนุษย์ชาติที่เรียกว่าชาวอริยกะมนุษย์ชาติที่เจรินมนุษย์ชาติอริยกะไม่ใช่พวกมันอ่าเป็นพวกมันอ่า เอาทีนี้ก็มาต่อเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าผู้ที่เป็นเป็นเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ที่พุทธเจ้าท่านคนพบในจึงเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ชาติทั่วโลกไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนบอกแล้วจะเป็นมองโกเลียนเป็นโคเคเซียนเป็นนิโกเลียนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาแยกตระกูลใหญ่ๆไว้เนี่ยก็มาเป็นพี่น้องกันได้หมดนะเพราะงั้นต้งเชื่อพันธุ์ทางสรีระพวกนี้เนี่ย อาตมาถึงบอกว่ายีนดีจีเนติกเนี่ไม่ควรเรียกว่ากรรมพันธุ์ควรจะเรียกว่าสรีระพันธุ์เป็นพันธุ์ทางสรีระถ้ากรรมพันธุ์นี่ก็คือต้องประพฤติตนเองด้วยกรรมเปลี่ยนแปลงกรรมเปลี่ยนแปลงกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงมนโนกรรมเมันผู้ใดที่ศึกษาฝึกฝนจิตมีมณสิกการมีมณสิกโรติทําใจในใจของตนเองให้มันเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยน สภาวะเปลี่ยนจากจิตเรวสภาวะมโนโดิจิตเนี่ยเปลี่ยนจากจิตเร็วมโนเล็วเนี่ยเป็นมโด น, มโนโดีเป็นมโนที่เป็นอาริยะขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ, ๆตามลาดับอย่างแท้จริง <S <S 1> <S 1> พระพุทธเจ้ามีลาดับเบื้องต้นตรงกลางบั่นปลายเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆพระพุทธดาสามารถเปลี่ยนได้จริงนั่นแหละเป็นผู้ติดอยู่ในตระ ก, กูลพระพุทธเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์พุทธน่ะเป็นเผ่าพันธุ์พุทธแท้จริง แล้วเราก็จะมีตระกูลใหญ่ตระกูลใหญ่นะพระราดอนสภาพที่ใหญ่เป็นตระกูลใหญ่ตระกูลทางกรรมพันธุ์ให้พวกคุณนี่นะเอาอตมาเคยมีความรู้รับรู้มาบ้างว่าคนในโลกนี้สามารถมีลูกได้มากที่สุดไม่ถึงร้อยคนเนี่ยมีลูกทางทางวัตถุธาตุทางสรีระอ่าทางยีนติกเนี่ย ไม่มีไม่ถึงร้อยเก่งเท่าไรก็มีลูกไม่ถึงร้อยเท่าที่อาตมารับรู้รับทราบมาคนที่มีลูกมากที่สุดประมาณถ้านที่ฟังมีสักแปดสิบกว่าเท่าที่อาตมาพอรู้นะสถิติที่พอรู้ในโลกใครที่มีลูกมากที่สุดในประมาณสักแปดสิบกว่าคนนะอย่างคนไทยนี่ก็มีสูงสุดก็ประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละอาตมาไม่บอกว่าเป็นใครเพอ่อเองาเาเอง ลองลงมาก็ห้าสิบกว่ารองมาก็ห้าสิบกว่าก็ไม่บอกว่าเป็นใครของไทยเนี่ยแต่ของต่างชาติเราจะมาความรู้น้อยก็ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่แต่ก็ได้ยินบ้า ง, าางว่ามันก็มีคนนั้นคนนี้มีเท่านั้นตนัวนี้แต่ก็ไม่ถึงนี่ไม่ถึงแปดสิบไม่ถึงห้าสิบอะไรเนี่ยแต่ทางพระพุทธเจ้านั้นมีได้โพธิสัตว์มีลูกจํานวนพันเป็นอนเออนกอเนกนี่หมายความว่าโธ่น่าไม่ท้วนนะ อนเนกนี่นับไม่ท้วนนะมากมายนับไม่ท e นะ้วนอินเทอนิตี้นะอเนกเนี่ยเพราะงั้นทางนี้จึงเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลที่แท้จริงเลยใครฟังแล้วนี่ฟังอาตมาเนี่ยอาตมาไม่ได้มาหลอกล่อไม่ได้มาพูดเล่นแต่พูดความจริงสู่ฟังทุกวันนี้อาตมายังภูมิใจที่อาตมามีมีเผ่าพันธุ์มีตระกูลตระกูลชาวอาโศกเนี่ยตระกูลบุญนิยม เนี่ยจ้ากา็ตั่งผู้ที่เป็นตระกูลเนื้อแท้เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นสาธารณโภคีนี่ถือว่าเป็นลูกหลานที่แท้เพราะใช้อยู่กินใช้ร่วมกันมีสิทธิอยู่ในสมบัติพระสถานของชาวโศกทั้งหมดมีสิทธิแล้วก็ร่วมใช้ร่วมกินกันอยู่อย่างนี้จริงๆเลยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะเนีเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ยิ่งยุคนี้นะไม่ง่ายคอมมิวนี้ต์เาต้องการคอมมูน ต้องการผลที่เข้ามารวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยสังคมกลุ่มโดยความซื่อสัตย์โดยความเผื่อแผ่มีสังหามีการแจกจ่ายเจือจานกันให้ทั่วถึงซึ่งเป็นวิธีการของมนุษย์ชาติวิธีประชาธิปไตยก็เหมือนกันก็พยายามจะแจกจ่ายเฉลี่ยให้มันทั่วถึงโดยโดยอุดมการณนะโดยอุดมคติแต่พฤติกรรมจริงมันทําไม่ได้เพราะว่าก็ ทั้งคมโลกมันก็นอย่างนั้นอ่ะมีพฤติกรรมแล้วก็มีเล่ห์เหลี่ยมวิธีการมันก็ทําไม่ได้มาเป็ข้อมูลมังเห็นว่าข้อบอกพร่องของจากเผด็จการแท้มาเป็นประชาธิปไตยปลอมข้อมูลหรือว่าคอมมิวนิสต์มันก็นเลยมาเปลี่ยนแปลงอีกอ่าก็ใช้ความจริงใจหรือว่าซื่อสัตย์ที่ตัวเองมีแต่คอมมิวนิสต์เสียตรงที่ว่าไม่มีความรู้ในทางศาสนา ไม่มีความรู้ในทางแก้ไขจิดวิญญาณเขาได้แต่ต้นทุนที่เขาเองเขามีความจริงใจปรารถนาอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้มีความรู้กันแต่ทำเข้าไปจริงๆกิเลสมันมันมีนอยู่จริงพอถึงขีดนึงมันก็แพ้แล้วพอถึงขีดนึงแพ้และมีลาบมากอํานาจมากอะไรมากขึ้นพ่ายแพ้เพราะงั้นคอมมิว น, นิสต์จึงอยู่ไม่นานพิสูจน์แล้วในโลก เขาก็สาเร็จนะสาเร็จผลไปช่วงหนึ่งนะเจ็ดสิบกว่าปีมาทุกวันนี้สลายแล้วพังละเป็นคอมมิว น, นิสต์ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ได้ไม่ได้่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าล้มเหลวประชาธิปไตยทุกวันนี้นี่นึกว่าฉลาดประชาธิปไตยนึกว่ามันดีที่สุดตอนเนี้ยเสื่ออามมาว่ามันแพ้แพ้บุญนิยมนะแพ้ที่ ของพระพุทธเจ้าจัดสรู้เสื้ออาตมาพูดย้ํายืนยันให้ฟังแล้วไม่ใช่อัตมาพูดเล่นไม่ใช่พูดไม่ไม่จริงว่าอาตมาไม่รู้หลักฐานความจริงแต่อัตมาบอกคุณไม่ได้ถึงบอกคุณคุณก็ไม่มีหลักฐานอะไรจะไปพิสูจน์อาตมาได้นะพระอาตมาก็ไม่บอกบอกไปก็ไม่รู้เรื่องที่บอกไปว่าไม่รู้เรื่องนั่นก็คือว่าที่อาตมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านศึกษามาไม่รู้กี่ชาติ ท่านรู้หมดทุกอย่างเลยระบอบรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ต่างๆเนี่ยท่านรู้หมดท่านผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่ใช่ผ่านธรรมดาด้วยท่านบริหารท่านประพฤติท่านปกครองนะจะระบอบเผด็จการท่านก็ทํามาแล้วจะระบอบประชาธิปไตยก็ทํามาแล้วคอมมิวนิสต์ก็ทํามาแล้วสังคมนิยมอะไรท่านทำมาหมดไม่ใช่ชาติน้อยๆไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติวัตสงสารนี้มันไม่รู้เท่าไหร่กี่รอบกี่รอบ มันเคยมีมาหมดแล้วไม่ใช่ไม่เคยมีเรื่องพวกนี้มันเก่าแล้วละลุงไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะอย่างอาตมาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยอาตมาเห็นมโถรอ่เรื่องพวกนี้เรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะแต่มันเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยบางทีเราก็ทําอะไรไม่ได้เหตุปัจจัยมันจะต้องเป็นไปก็ต้องเป็นไปก็ต้องยอมแล้วเราก็แก้ไขให้ได้ดีที่สุดทที่ดีได้สิ่งที่ดีที่อาตมาทําได้ก็คือ เอาคนที่แสวงหาและจริงใจและมีปัญญาหรือมีบุญนั่นเองใช้คำว่ามีบุญผู้ใดมีปัญญามีบุญก็ได้ผู้ใดไม่มีบุญไม่มีปัญญาไม่ได้หรอกยี่มีปัญญาเปเช ก, กาเชกโเชกเกาตาเนี่ยไปใหญ่เลยยิงไม่ไดเอารับไม่ติดไม่รู้เรื่องผู้ใดมีปัญญามีความฉลาดที่เป็นปัญญาจริงๆรับได้แล้วก็จะมามาเอาไปตามที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนในยุคนี้มันซับซ้อน ในยุคนี้นี่คนมาเกิดนี่คือผีนรกมาเกิดมากกว่าเทวดายุคนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการมีลูกนี่เสี่ยงมากใครไปมีลูกนี่ลูกออกมานี่เป็นลูกผีน้อยนักที่จะมีลูกเทวดามาเกิดเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ไม่ได้หรอกคุณจะได้ลูกผีแล้วคุณก็เอาเถอะคุณไ ด, ได้ได้ลูกผีมาคุณจะเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขก็เรื่องของคุณนะ่ะ ซึ่งจริงๆโดยสัญชาตญาณเขาก็รู้อยู่แล้วทุกวันนี้ไม่มีใครอยากมีลูกมากหรอกเพราะเสียเส่ยงเสี่ยงอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องอาชินใจเป็นเรื่องที่อาตมาไม่ได้โมูเม่แต่บางทีมันยังไม่เคยพูดมันไม่ได้หึงโอกาสพูดก็ไม่ได้พูดสู่ฟังแต่คราวนี้ก็พอถึงพูดมามาถึงตรงนี้ก็เลยพูดสู่ฟังบ้างเท่านั้ น, นเพราะงั้นในวิธีการของสังคมไม่ว่าวิธีการประชาธิปไตยวิธีการหนึ่งคอมมิวนิสต์สังคมนิยมหรือวิธีการของเผด็จการ อย่านึกว่าพระเด็ ก, การไม่ดีนะพระเด็ ก, การนี่แหละถ้าจริงๆแล้วดีเยี่ยมที่สุดคุณเชื่อไหมว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาพรเด็จ ก, การเชื่อไหมแต่ทุกคนยกให้พระพุทธเจ้าพรเด็จ ก, การคนเดียวจริงไหมจริงไหมไม่มีใครค้านพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ค้านใครแล้วท่านก็ไม่ไปละเบิดใครท่านก็ทําพอควรทําตามพอเหมาะ ท่านก็รู้ว่าท่านท่านจะแสดงอํานาจเบ่งเท่าไหรคนต้องยอมหมดนะ่ะแต่ท่านก็นทํำตามควรท่านไม่ไปเป็นเบ่งขมไม่ไปเป็นละ ed, ล, ะ า, evet. ละาบละลวงอะไรมากอย่างนี้เป็นต้ น, นรพระพุทธเจ้าเนี่ยจอมเผด็จการที่ทุกคนต้องสยบแล้วสยบที่ยอมให้ไม่ได้ยอมให้อย่างฝืนใจด้วยยอมให้อย่างบูชาเคารพเทิดทูนเอาเลยท่านจะเอาอะไร donc. ทําเลยยกให้เลยนี่คือยอดเผด็จการที่สูงสุดในโลก เพราะฉะนั้นเอาพระพุทธเจ้ามาอ้างเนี่ยว่ามีไม่พระเด็จการนี่แหละยอดฟาสซิสสูงสุดละพระเด็จการสูงสุดแต่ท่านพระเด็จการอย่างมีสัจธรรมอย่างแท้จริงเลยไม่ลำเอียงเป็นพระเด็จการที่มีคุณธรรมสูงสุดเพราะฉะนั้นทุกคนบูชาคารพเสด็จทูลขอให้ท่านปรารถาเลยเพราะท่านมีปัญญาที่แท้จริงมีความซื่อสัตย์ที่แท้จริงมีความจริงใจที่แท้จริงทุกอย่างก็ลงได้ นี่คือลักษณ ะ, ะเผด็จการที่วิเศษสุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกี่ยงเลยว่าจะอยู่ในระบอบเผด็จการอยู่ในระบอบคอมมิวนิสต์อยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันขึ้นที่คนมันไม่ได้ขึ้นที่ระบอบมันขึ้นที่คนเพราะการสร้างคนยิงสําคัญกว่าการสร้างระบอบเพราะนี่จะเอากฎหมายเอารัฐธรรมนูน อ, อะไรมากดมาขี่มาทําอะไรปาดโถ้คนมันชั่ว มันมันแหกหมดแล้วแหกหมดแล้วมันก็จะเอาประโยชน์อย่างทุกวันนี้นี่ยจะแหกรัฐธรรมนูญจะแปลแก้ธรรมนูญและเขาก็อ้าวจะแก่ธรรมนูนเพื่อประชาชนใครเชื่อมัง่งเขาจะแก้รัฐธรรมนูนเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ใครเชื่อมัง่งยกมือทำไมครึ่งคนก็ไม่มีเลยเหรอยกแค่นี้ก็ไม่มีอ้ายิ่ยะ เพราะงั้นถึงบอกว่าเป็นเรื่องทุกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจทุกอย่างเลยมันเป็นเช่นนั้นนะเนี่ยจะมามีกวีบทใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยแต่งเสร็จวันที่สี่นานไหมสี่กรกฎาคมสองพันเ้าร้อห้าสิบหพิ่งแต่งเสร็จนานไหมวันนี้วันที่หกเนา ะ, ะวันนี้วันที่หกที่จริงแต่งเสร็จ ถ, ถือมาด้วยตั้งแต่วันที่สี่แล้วก็ถือมาด้วย ชื่อว่าประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่แท้จริงประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่แท้จริงอาฟังดูอธิปไตยที่ใหญ่แท้ในมนุษย์วิเศษวิสุดพุทธบัญญัติไว้สามชนิดวิสิ ท, ทธิ์สุดพร้อมสา์หากมนุษย์ ประพติได้อีกด้วยประเสริฐสมนอกจากจะรู้แล้วประพติได้ด้วยเนี่ยประเสริฐสมเรียกว่าเลิศแน่สมสมส ม, ส ม, ส, ม, ส, มสมคร้อยแน่นอนประถมแห่งอำนาจประถมแห่งอำนาจนั้นคืออัตตาประถมแห่งอำนาจนั้นคืออัตตาหากมนุษย์ขาดวิชา กิเลสขย่ำคนหลงอัตตาพาบ้าบาปมานักแหลท่าใหญ่แล้วเหลวซ้ำแหลกบ้านเมืองประไล่สองไซอํานาจนั้นคือใดคือโลก ซึ่งมีในยากสู้มีในยะที่ยากคนจะสู้เรื่องโลกนะเพราะทุกวันนี้นี่คนถึงทำโลกล้อมประเทศรู้ไหมว่าใครเอ่ยเป็นเซลแมนที่ไปขายแร่เลวบุก ในประเทศไทยในมีเซลแมนที่ไปขายโอกแร่ขายเร่ขายทั่วโลกเลยขายแร่เ็วบุกอา้าวใครไม่รู้ก็าถามไทยกันคุยกันเอาเองเอาจจะมาเปิดเผยความจริงให้ฟังแล้วหน่อยหนึ่งคือโลกโลกโลกาเนี่ยหรือโลกีเนี่ยโลกซึ่งมีในยากสู้ เอาสู้ยากมากในะยักษ์ของโลกีเนี่ยอัตลานี่ยังพอเป็นไปนะแต่โลกนี้ลึกกว่าอีกทุกวันนี้เขาเลยใช้โลกนเนี่ยพยายามเนี่ยใช้วิธีการโลกล้อมประเทศคนสยบอยู่ทั่วไปเป็นทาบมันเลยลาบยศสรรเสริญรู้ แต่แพ้อัตตาตนใครก็รู้ว่าโลกคือราบยศสัเสริญลาบสการะสันเสริญแต่แพ้อัตตาตนเป็นคนพ้นโลกพร้อมอัตตาเพราะจะเป็นคนที่จะพ้นทั้งโลกพ้นทั้งอัตตาได้ยากกว่ายากศาสนาช่วยได้ ยากก็ยากแต่ศาสนาช่วยได้พุทธสอนอั ต, ตะโลกาปรมัตถะธรรมเหยพระพุทธเจ้าโวยศาสนาพุทธสอนเรื่องอัตตาเรื่องโลกถึงขั้นปรมัตถธรรมเลยอธิปไตยเป็นสติไสอุตรขั้นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติจริงแล้วจะเกิดผลมีสติเป็น อธิปไตเป็นอธิปไตนะมีสติเป็นอธิปไตยพญยยผู้ใดมีสติแล้วตนเองก็มีอำนาจทางสติอธิปไตคืออำนาจอำนาจในตนพญผู้ใดมีอำนาจโดยคุณธรรมมีสติแล้วทางานใช้สติเป็นตัวนำหน้าทั้งนั้นน่ะสติเป็นตัวสติสัมโพชงเป็นตัวนำหน้ามีสติอธิปไตยเป็นสติไซอุตรขั้นปัญญาแล้วมีปัญญาขั้นอุตร ขั้นเหนือโลกีขั้นเหนือโลกีขั้นโลกุตระนั่นเองอุตระก็คือเหนือมีปัญญาเหนือโลกีเนี่ยพระเจ้าทตรัสไว้ชัดนสติเป็นอธิปไตยปัญญาเป็นอุตระอยู่ในมูลสูตรชัดเจนนสติเป็นอธิปไตยปัญญาเป็นอุตระนำพานมีสติมีปัญญาเนี่ยนำพาอำนาจแท้ในคน มีสติก็มีปัญญานำพาอำนาจแท้ในคนเหนือโลกเหนืออัตตาตนยิ่งผู้มีอำนาจเหนือโลกเหนืออัตตาของตนจริงๆสุจริตจริงใจยิ่งกว่าใครๆยิ่งผู้ยิ่งคนทุกคนยิ่งกว่าใครท่ใครช่วยหิตะพะหุชนเป็นสัตสัตจโดยความจริงเป็นสัตเป็นความจริง ช่วยหิตาฮิตะคือประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติพู้หุผหุชนเป็นพู้หุ่นนัิตายะนั่นแหละช่วยหิตะพู้หุชนเป็นสัตว์ธรรมะอธิปไตยกู้โลกทั้งอัตตาเพราะฉะนั้นผู้ใดมีธรรมะในระดับนี้เป็นอำนาจธรรมะอธิปไตยแบบนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยเนี่ยก็จะเป็นอำนาจที่จะกู้โลกช่วยโลกช่วยอัตตามนุษย์ได้ อธิปัตยธรรมาธิปธัตยต้องโลกุตระธรรมธิปไตยหรือธรรมธิปัตอำนาจทางธรรมเนี่ยต้องขั้นโลกุตระจึงจะช่วยชนชนะอัตตะแท้จึงจะช่วยมนุษย์ผู้ที่มีคุณภาพโลกุตระก็จึงจะชนะอัตตาอัตตาตัวเองด้วยแล้วก็ไปพยายามพาคนอื่น ให้ชนะตนเองชนะโลกอยู่เหนือเนี่ยชนะนี่ไม่ใช่ชนะข่มขีแต่ชนะอย่างเป็นจิตเจริญเป็นจิตเมตตาช่วยทั้งโลกช่วยทั้งอัตตาของคนอื่ น, นช่วยหิตะพังหุชนะเป็นสัตว์ธรรมะอธิปไตยกู้โลกทั้งอัตตาธรรมาที่ปัจต้องโลกุตระ จึงจะช่วยชนชนะอตตะแท้หากธรรมะแค่โลกิยะพลโลกไม่ได้เลยอาริยธรรมพุทธแก้อำนาตรายโลกามีทางแก้อยู่ทางนี้แหละอาริยธรรมของพุทธนี่แหละจะแก้อำนาตรายของโลกได้ธรรมมาทิปัดนั้นเป็นสามตกลงธรรมมาที่ปัด ดื้ อ, อํานาจทางธรรมนี่นเป็นอันที่สามอันที่หนึ่งคืออัตตาเรียกว่าอัตตาธิปไตยอันที่สองคือโลกโลกคือโลกาธิปไตยอันที่สามคือธรรมาธิปไตยหรือธรรมาธิปตัตธรรมาธิปัตนั้นเป็นสามอำนาจตามนิยามพุทธชีประชาธิปไตยงามดังปราด นาแหลหากอำนาจเป็นชนีใหญ่แท้ยิ่งใดถ้าอำนาจเป็นอำนาจธรรมมาทิปไตยนี้ใจแท้ยิ่งใดนี่คือกวีบทกวีที่จะลงหน้าปกฉบับเราคิดอะไรฉบับเดือนหน้าเดือนสิงหาคมส่วนเดือนกรกฎาคมนี่ออกมาแล้ว จะสอดคล้องกับเรื่องที่กำลังเทศตอนนี้อ่านอีกทีหนึ่งน่ะอ่านไปหลายทีแล้วน่ะทางเอฟเอมทีว uh, ี M t v ก็อัดเอาไว้อัตมาอ่านกวีบทนั่นนี่มาเขาบอกว่ามันพร้อมไปทั้งนัดจะคีตะวาทิตะเลยนะเขาเลยอัดเอาไว้แล้วก็มาออกซ้ำออกซากอยู่ในเอ t เอมทีวีน่ะที่อัตมากวีบทที่ชื่อว่า ไม่ใช่บทสองร้อยเจ็ดสิบหกของหน้าสองรอยสิบหมีหมู่ฝูงที่ดีรีบพรีชีพไม่ใช่บทนี้แต่เป็นบทอ้าอีกบทหนึ่งเอาอัตมาหยิบผิดละบทก่อนนี้นะที่จะสอดคล้องกับเทศบทนี้ที่บอกว่าโลกเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับไทยเฉยนาเอออัตมาเอาออกไปจาก เปล่าระมั้งเล่มที่แล้วไทยรัฐไอ้ ย, ย, เ, อยเราคิดอะไรเล่มที่แล้วไม่ใช่เล่มใหม่เนี่ยนะเอาออกไปแล้วจริงๆโอ้เลยไม่มีบทนี้เลยมีแต่ว่าอัตมาตรงคนจากกระดาษในนี้อีกเยอะใครมีบ้างนะใครมีเราคิดอะไรฉบับเดือนฉบับเจ็ดสองเจ็ดห้าฉบับสองเจ็ดห้าฉบับเดือนมิถุนาเดือนฉบับเดือนมิถุนาอ่านะ อาตมาไม่มามัน ไ, ไ, ไม่ได้เตรียมอันนี้มันออกนอกนอกเทศมันออกไปกว้างขวางไม่มีจริงๆเอาออกไปแล้วใครมีเ อ, เ, อเราคิดอะไรเล่มเล่มเดินที่แล้วเดินมิถุนานเล่มใหม่นี้ยังไม่มาถึงใช่ไหมเล่มเนี้ยยังไม่มาถึงนี่มันใหม่อาตมาหยิบมาที่กรุงเทพเขาออกมาให้อาตมาแล้วอาตมาเลาติดมือมาะ เ, เล่มนี้มีหมู่ฝูงที่ดี รีบลีชีบลุยอันนี้เนะี่ยมันบทนี้นะซึ่งก็จะต่อจากฉบับที่กำลังตามอยู่นี่ว่าจะเอามาอ่านนะได้ไัมยังอา้าวมามามาเร็วแม่แม่แ ม, นะมาเด่นม า, นมาเด่นนะปัจยวนมาเด่นมาเมาเมาเร็วเข้าเร็วเร็วอา้อากวีบทนั้นคือพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียประเทศไทย น, น, นี่บทนี้ก็ตอนนี้นากากขาวก็เอาไปขึ้นป้ายขึ้นอะไรอะไรเพื่อที่จะใช้อยู่เนี่ยมันว่าอย่างนี้นะบทนี้ว่าพูดไปมากยิ่งแล้วไทยเอ่ยคนก็เฉยกับเฉยยากแท้ไม่เห็นแก่ชาติเลย จิตป่วยกระนั้นหรือต่ำสำนึกเสื่อมแย่ชำรุดแล้วกระไรฉไหนทุกไทยในขณะนี้คือใดไทยเห็นอยู่ว่าภัยมนุษย์บ้าระหำหนักขนาดไหนชัดยิ่ง ที่จริงอาตมาขออภัยบทนี้อาตมาประกาศไปให้ทราบกันผูดด้ใดที่มีกวีบทนี้เอาไปใช้อยู่ก็กรุณาแก้ในในบทสองเนี่ยทุกไทยขณะในขณะนี้คือใดอาตมาแก้เพราะมันผิดผิดแบบแผนอาตมาเพ้อไปตอนนี้เพ้อไปได้ยังไงไม่รู้แต่งมาก็โอ้แต่งกวีมาก็หลายห้าสิบกว่าปีแล้วหกสิบกว่าปีด้วยไม่ใช่ห้าสิบ เพราะตอนนี้มันจะแปดสิบแล้วอาธมาแต่งโครงกรมาเรียนโครงกรมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดฝึกเรียนโครงกรมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดเดี๋ยวนี้กำลังย่างแปดสิบคิดดูซิมันเท่าไหร่แล้ว่ะเจ็ดสิบกว่าปีหกสิบเกือบเจ็ดสิบปีอะหกสิบเก้าหกสิบเก้าปีมาแล้วไทยทุกไทยในขณะนี้คือใดแก้เป็นไทยชัดไม่ใช่ไทยเห็นน่แก้เห็นเป็นชัดไทยชัด อยู่ว่าภัยมนุษย์บ้านะระหำมหนักขนาดไหนจริงยิ่งเอาคำว่าชัดนี่แปลเยแก้เป็นจริงคำนีนะ้แก้อยู่สองที่เพราะงั้นบทนี้เนี่ยผู้ใดมีกวีบทนี้กรุณาแก้ด้วยแก้สองทีนะ่ในบทที่สองแก้ตรงที่คำว่า ไทยเห็นอยู่ว่าภัยมนุษย์บ้าแก้เป็นไทยชัดไทยชัดอยู่ว่าภัยมนุษย์บ้าระหำหนักขนาดไหนจริงยิง่งลายชั่วอรารวาดท้าหยาบช้าเกินคนไม่สนแม้คือบ้านแปรเมืองหยาบย่ำกระนำเคือง ขังแค้นหักเหลี่ยมถล่มเหลืองมุ่งประหัดประหารแห่ไทยบ่กเคยมีแมนเช่นนี้ได้ไอไทยไม่เคยมีเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยมันเป็นไปได้ไงหรือไทยจักสิ้นชาติศาสตร์กษัตริย์หรือจักถึงวิบัติแน่แท้ หรือทั้งชาติขาดขัดสนกระตะเวทิตาหรือว่าทั้งชาตินี่มันขาดมันขัดสนกระตะเวทิตาขัดสนความลึกถึงบุญคุณกันบุญคุณของชาติบุญคุณของประเทศบุญคุณของอะไรก็แล้วแต่แม้แต่บรรพชนแม้แต่บุญคุณของกษัตริย์ตราธิราชที่ ประเทศไทยนี้ปกครองด้วยประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันไร้กระตะเวทิตากันแล้วหรือยังไงนะมันขัดสนกันยังไงหรือจกหมดทางแก้ล่มแล้วเมืองไทยพูดไปใช้จ่ายเบีย้ยสองภัยหากนิ่งได้ตำลึงไทยไม่แล้ว ไม่แล้วหากนิ่งไม่แล้วไม่ได้แล้วอย่านึกว่าถ้านิ่งจะได้ตําลึงมากก็บี้ยนะเบียนะเบ้ยสองไผ่นะอย่านึกว่าจะท่านิ่งนี่จะได้ตำลึงนะตําลึงมากกับสองไผ่นะกี่เบีย้ยกี่ไัยเป็นหนึ่งตำลึงกี่ภัยไม่มีใครรู้เลยอสี่ไผ่สีไส่ไัยเบีย้ยเป็นหนึ่งตำลึง นี่เขาบอกว่าพูดไปได้สองไพ่แต่ถ้านิ่งจะได้สี่ไพ่นะเป็นตำลึงหนึ่งเขาว่างั้นไม่แล้วเดี๋ยวนี้น่าหมดพูดไปใช่จ่ายเบี้ยสองไพ่หากนิ่งตำลึงไทยจะได้สี่เบี้ยไม่แล้วไม่ได้หรอกยิ่งนิ่งยิ่งถลายถลําตําแน่เลย เชื่อไม่เชื่อไทยดับแน่ไปแล้วอยู่เท้าเผด็จการนิ่งสินิ่งสิ น, งสนั่นแหละจะถึงตรงนั้นน่ะอยู่เท้าเผด็จการนั่นแหละสันดานดิบดีดดิ้นดำริศนาเงินบวกอันาพานพาคลั่งร้าย ตอนนี้นะ่ะความคลั่งขณะนี้คือเพราะเงินเพราะอันพานบวกกันจึงเกิดความคลั่งอยู่ในประเทศไทยขณะ น, นี้ที่ร้ายเร็วอยู่ขณะ น, นี้มันบ้าเลือดเข้าตากระทิงดุมิปานเลิแแลชนผิดไม่เลือกคล้ายสัตว์แท้เดรชานผนึกสมานกันร่วมสู้ ไทยเอ่ยเอาแต่นิ่งเชิญเฉยชาติสิน้นผู้เถิดเปิดปากเฉลยตามสิทธเถิดเถินแสดงออกช่วยกันปลิ้นถลกเนื้อในเหม็นไม่ต้องแปล ชัดเจนนะโครงส่สุภาพบทนี้คนอ่านไม่ต้องใช้ความรู้ความลึกซึ้งของธรรมะเท่าไหร่หรือว่าภาษาศาสตร์เท่าไหร่ก็พออ่านพอเข้าใจกันได้นะนี่คือสิ่งที่เกิดอยู่ในเมืองไทยขณะนี้นะเพราะงั้นตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองมันก็เข้ายุคที่อาตมาแต่งกวีบทที่ออกมาฉบับนี้แหละกรกฎาคมนี่บอกว่ามีหมู่ฝูงที่ดี รีบพลีชีปลุยก็ต่อเนื่องจากบทเมื่อกี้ว่ายากล้นคนยุคนี้ไกลธรรมธรรมะอยากล้นคนยุคนี้ไกลธรรมมิใช่กล่าวคมคําตู่ร้ายไม่ได้กล่าวผิดไม่ได้กล่าวตู่อะไระไม่ใช่กล่าวใช้คําใช้ความมากล่าวตู่ร้ายใครแต่แท้พฤษ สุิภาพกรรมเห็นอยู่จริงแแห่แต่แท้จริงๆนั่นคือพฤติกรรมของมนุษย์เห็นอยู่ชัดๆนะคนทั่วเป็นคนทั่วเป็นใช้ป้ายใส่ใครเดาความคนทั่วไปทั้งนั้นเลยเป็นกันทั้งนั้น ไม่ใช่ ไ, ไปไป้ายสีป้ายใส่ใครใส่ความอะไรไม่ใช่เดาเอาด้วยเห็นอยู่ว่าพฤติภาพกรรมเห็นอยู่จริงแแฮยามนี้คนจัดจ้านทุจริตกล้าเจตนาแม้ผิดก็ด่านด่านทำใครจะทำไมทำได้ยิ่งกว่าคิดเกินคาด ไม่น่าจะทําได้ปานนี้นะแต่เองแน่มากกล้ามากทําได้ยิ่งกว่าคิดเกินคาดหยาบต่ําล้ากว่ากล้านสุดแล้วเมืองไทยหยาบในคนเชิดชันว่าสูงถ้ามันหยาบอยู่ในคนข้างล่างระ ด, ดับล่างก็ว่าไปเถอะไม่เท่าไหร่ แต่นี่มันหยาบในคนเชิดชันว่าสูงหยาบทั่วหมดทั้งฝูงประหลาดล้นเต้นไปได้ไงเกือบไม่เหลือแล้วนะหยาบได้เก่งกาจจูงจมูกมนุษย์มนาเลยหยาบยิ่งผ่านสุดพ้น พูดด้วยคำใดเกินจะหาคำมาพูดมาบรรยายแล้วมันหยาบขนาดไหนไทยล่มจมอยู่ห่วงกับดักตอนนี้ไทยตกอยู่ในห่วงกับดักคนบอรู้บอรักชาติแทใครรักชาติบ้างเนี่ยถามเบาๆเงียบไทยรักชาติบง้ง โอ้โหเงียบจริงๆถ้าไม่เตือนสตินี่จมเลยโอ้มันแสดงนิมิตอะไรนี่คนหมดแล้วเนี่ยคนบ่รัก ช, ชาติคนบ่รู้บ่รัก ช, ชาติแท้ไม่รู้ไม่รักชาติกันแล้วเดี๋ยวนี้เหตุเห็นแก่ตัวหนักเมามุ un, ah, ่นอามิตรเฮย ก็เห็นแก่อ า, ม, ามิตเมามุนอยู่ในอามิตต่างต่ำตกหมกแม่เม็ดให้คนผ่านหมกแม่เม็ดคือมันหมกเม็ดให้คนผ่านมันตกต่ำที่ขนาดนั้นแล้วขนาดนี้สังคมหมกเม็ดกันจนหาที่จะสะอาดสะอ้านไม่ได้แล้วตกตกต่างต่ำตกหมกแม่ เม็ดให้คนพานชช่วยคนพานหากนานไปกว่านี้ไทยประไลยไทยตื่นเถิดหลับไหลหนักแล้วบัดนี้เกิดคนไทยชวนท่านมิรู้ลือให้ออกมาไล่แมว ร่วมร้องบรรลือชัยยิงลูกศรใส่แสงหน้าเลยรวมใจพรึบพรั่งพร้อมกันออกมารวมหมู่เพื่อบอกโลกรู้ออกมาร่วมทุกซอกทั่วทินไทยเลยจึงจะเกิดแรงกู้ชาติได้ ดังหวังอย่ายังให้ชักช้ารีรออย่ายังอย่าหยุดอย่ายังนะอย่ายังให้ชักช้ารีรอมีหมู่ฝูงที่ดีเกิดแล้วรีบพลีชีพลุยขมิขมันช่วยกันเทิน เด็จศึกอย่างกล้ากแกล้วเถิดพ้วนมวลไทยนี่กวีบทที่ออกเราคิดอะไรฉบับกระรเออฉบับกรกฎาคมนี้เนี่ยจะวางตลาดวางแล้วละ่ะเนี่ย จ, จะมาได้มาสดสดนี่ยังร้อนรอนอยู่เลยฉบับใหม่ส่วนฉบับล้ำหน้าก็อ่านให้ฟังไปก่อนแล้วนาประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ แท้จริงนั่นคืออะไรอ่าก็เวลาที่เหลืออีกเกือบชั่วโมงนะไปจบเอาที่เวลาสิบเอ็ดนตอนนี้ก็สิบนเจ็ดนาทีนะก็มาขยายความกันถึงเรื่องโลก อ, อธิปไตยสามนี้มันเป็นภัยของไทยเฉยอัตมาพูดพระราดอนภาพไปแล้วในภาคตน้นให้เข้าใจว่าพระราดอนภาพที่ยิ่งใหญ่คืออะไร ซึ่งเราก็สร้างอยู่แล้วให้แก่มนุษย์โลกอัตมาบังอาจกล่าวอย่างนั้นนะกล่าวว่าอัตมาสร้างพราพราดรภาพหรือสร้างเชื้อชาติใหม่สร้างเชื้อชาติใหม่ให้เกิดพันธุ์ใหม่คือพันธุโล ก, กุตธรรมพันุ์โล ก, กุตระบุคคลซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นต่อของพืชพันธุ์ดอพระพุทธเจ้าใครอยากได้ดีเอพระพุทธเจ้าบ้างเออตัวน้อยนี่ก็ยกมือ นะรู้เรื่องเหมือนกันนะแสดงว่าเข้าใจนะอยากได้ดี a อเอพระพุทธเจ้าและเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นเป็นเรื่องที่เป็นจริงได้อัตมามั่นใจเพราะทุกวันนี้นี่มีคนมาเป็นเชื้อเป็นตระ ก, กูลพระพุทธเจ้ากันพอสมควรแล้วเรียกว่าพวกเราชาวโอโศกเนี่ยเราได้มารวมตัวกันจนกระทั่งมีมีชุมชนนี่ก็เป็นชุมชนหนึ่งก็ยากไม่ค่อยมารวมกันเลยน้อยคนก็ไม่คยเข้ามา ก็ตั้งมาหลายปีแล้วชเชลขวัญเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะมาง้องแงงงองแงงถูกโรคดึงดูดอยู่นั่นแหละกระติกกระติกใหม่มารู้ทั้งรู้ก็เยอะแยะไปอ่ากลัวจะตายหรือไงแล้วก็จะตายเน่าไปอีกนานอีกวัดอีกกี่วัดตะสงสารเนี่ยถ้าไปอยู่ทางโน้นถ้าตั้งใจจริงๆแล้วเราจะตัดวัฏสงสารที่จะต้องไปเมาไม้เกิดดับเกิดดับอยู่ยัง อยู่ในวัตตะส่งสารโลกีเนี่ยตกนรกขึ้นสวรรค์แกอยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้จะจบสักทีเพราะฉะฉนั้นพิจารณาดีๆตอนนี้มันมีมีทั้งเสนาสนะสปายะมีทั้งบุคคลสปายะมีทั้งอาหารสปายะมีทั้งทั้งธรรมะสปายะเรียกว่าสปายะสี่สปายะคือที่เจริญที่สบาย ปายะคือเจริญประกอบไปด้วยความเจริญถ้าอปายะหรืออบายอบายหรือสบายนี่สบายเนี่ยก็เจริญประกอบไปด้วยความเจริญสบายถ้าอบายอปายะภาษาบาลีเขามันมีตัวระบบใบไม้บไม้เป็นภาษาไทยอะบายหรือสบายนี่ก็คืออบายอปายะกับสบายนั่นแหละถ้าผู้ใดเข้าใจแล้วว่าอบายกับสบายมันต่างกันแน่นอน แล้วก็พัฒนาตนเองให้มาสู่สบายมาสู่ทิศทางนี้อย่างแท้จริงมาสู่ความสบายความเจริญอันนี้ให้จริงถ้าสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกตนให้ได้จริงก็จะได้อย่างแท้จริงน่ามาเป็นคนที่มีมันมีเสนาสนะก็คือสถานที่สิ่งแวดล้อมนี่เป็นสถานที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ที่จะพาเราไปสู่อันนี้ได้แล้วมิตร ด, ดีสหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดีในเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทุกอย่างทุกอย่างของพรหมจรรย์ทุกอย่างของสิ่งที่ดีที่สุดเรียกว่าพรหมจรรย์หรือศาสนาเ้วเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดพรหมจรรย์ภาษาโบราณแปลว่ามีประพฤติ ด, ดังพรหมเอาเป็นความประพฤติอย่างพระพรหมอย่างพระเจ้ า, าพระพรหมก็คือพระเจ้าะคนที่มีความประพฤติเป็นอย่างพระเจ้ากันหมดแล้วก็เป็น เป็นมนุษย์เจริญเป็นถิ่นเจริญเป็นชุมชนเป็นมนุษย์ชาติที่เจริญนะพยากิเกิดจากพรหมจรรย์หรือศาสนาที่มีทฤษฎีพาธรรมพระเป็นวันมวลสิ่งแวดล้อมสัำปวังโกมิตรีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีและเป็นสถานที่สถานที่นี้เป็นของส่วนกลางแน่นอนยกมอบให้ส่วนกลางแล้วนะเป็นของมูลนิธิแล้วเรียบร้อยไอ้มูลนิธิดุิสมาคม ที่นี่เฉลขวัญเนี่ ย, นนยคือพวกเรามีองค์กรของนิตินัยเขาเป็นของส่วนกลางแหละของชาวโซมหมดนั่นแหละแม้จะเป็นชื่อหลายชื่อเป็นชื่อสมาคิมั่งมูลนิธิมั่งหรือแม้แต่เป็นนิตินิตินัยอีกหลายชื่อก็ตามที่เป็นของส่วนกลางนั้นเราก็มีอยู่หลายชื่อแต่สรุปแล้วเป็นของส่วนกลางใครแมาแย่งเอาไปเป็นของส่วนตัวไม่ได้แล้วอเพราะว่าลงชื่อเป็นนิตินัยหมดแล้ว ซึ่งเรื่องส่วนกลางนี่แหละเป็นเรื่องสาธารณโภคีเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่มนุษยชาติต้องการไม่ว่าประชาธิปไตยหรือคอมมอนนิตต้องการสังคมนิยมก็ต้องการแต่เขาทาไม่ได้สําเร็จเท่าศาสนาพุทธศาสนาพุทธเราทําสําเร็จจริงนี่ได้มาทึ่อตาตมาเกิดมาในยุคนี้มาทำได้นี่อตาตมาภาคภูมิใจมากที่ทําได้เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมสำเร็จ มีสถานที่เรียกว่าเซนาสนะมีสถานที่มีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่มีระบบสาธารณภคีและก็มีผู้อยู่บริหารอยู่เป็นสมาชิกอยู่กันจริงๆเพราะทางใต้นี่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคนปัญญาฉลาดน่าจะฉลาดรู้ทันทำไมถึงไปโมเดเชโกอยู่ทำไมไม่มีปัญโยนะไปแตเชโกฉลาดนะฉลาดอัตมากอธิบายและโมวานนอธิบาย เชโกกับปัญโยหรือเชกากับปัญญาเนี่ยฉลาดชลยตนะตางหูจมูกริ้นกายใจเนี่ยฉลาดแล้วก็อยู่กับมันพวกแหลอยู่กับพวกโลกโลกนลั่นแหละเชโกแล้วก็ให้กิเลสเป็นตัวบงการพะมันต้องมาล้างกิเลสจริงๆเป็นปัญญาหรือปัญโยให้ได้เรามีเสนาสนะที่จเจริญสบา ย, บายหรือสปายะมีบุคคล บุคคลที่มาที่นี่เป็นสมาชิกเราก็คัดเลือกตามสัจธรรมแล้วก็ช่วยกันดูแลผู้ใดที่รู้สึกว่าตำก็เกณฑ์ก็ดีมาวุ่นวายนิวแซนทำไม่ดีไม่งามมันจะยุ่งวุ่นวายเราก็มี ม, มีทันทันจนกระทั่งถึงขั้นไม่ให้เข้ามาไม่ไม่ยอมรับข้อมูก็มีแล้วมี ม, ม, มีมีหลักเกณฑ์ของสังคมอยู่ มีบุคคลที่จะนำพากันเป็นมิตรดีสหายดีช่วยกันอยู่แล้วมีเครื่องอาศัยเรียกว่าอาหารอาหารที่เป็นเครื่องกินก็ตามอุปโภคก็ตามบริโภคก็ตามเครื่องกินเครื่องใช้ทุกอย่างแล้วก็มีอุปโภคบริโภคสมบูรณ์เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยที่จะพานำพาเจริญเท่าที่มันพาเจริญได้ที่เราก็พัฒนากันอยู่เราไม่ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่งเฟย แต่เราสร้างให้เป็นแก่นเป็นแกนสามารถที่จะเกิด เ, เกิดการเจริญไปตามลําดับโดยเราเริ่มต้นจากกสิกรรมเป็นหลักแล้วจะเอาอุตสาหกรรมตามมานอกนั้นก็มีความเจริญในด้านอื่นๆที่อันพึงจะเป็นจะมีเช่นการศึกษาเป็นต้นหรือสื่อสารเป็นต้นอะไรพวกนี้เราก็เจริญไปตามควรส่วนอะที่ไม่เอากับเขาเลยอบายวมุกฟุงเฟ้อฟุ่มเฟอือยแฟชแฟชั่นอะไรเนี่ยหรือเรื่องอะไรที่มันเอะมัดเทง เป็นเรื่องที่จะไปลาลาบ ล, ลายศอะไรต่างๆนานาที่จัดจ้านเราไม่เอางานการพวกนั้นเราไม่เอาไม่ส่งเสริมไม่ให้ศึกษาต้านกันด้วยนะเพรา ะ, ะ น, นสิ่งที่อาศัยที่พาเจริญเราก็มีครบมีนาพาไปได้อยู่แล้วแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่มันก็ได้ไปตามลำดับของพวกเรานะสุดท้ายธรรมะพาเจริญธรรมะสปายะมีแน่นอน มีธรรมะที่จะพาเจริญแน่นอนนะเพราะฉะนั้นต้องพากเพียรหน่อยนะแล้วก็พยายามมีสติสัพพัญญะปัญญาที่จะรู้ว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีชีวิตของเราไปอยู่ในที่ไหนไปอยู่กับหมู่ไหนไปอยู่กับอาหารสปายะเครื่องอาศัยแบบไหนเครื่องอาศัยนี่เรียกว่าอาหารทั้งอาหารการกินที่เป็นบริโภค ทั้งอุปโภคเครื่องใช้ไม้ไส้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นไอเครื่องใช้อะเครื่องอาศัยตั้งแต่ดินพื้นดินดินน้ำไฟลมไปจนกระทั่งบ้านช่องเรือนชานไปทั้งต้นหมากรากไม้ไปทั้งวัตถุดิบอะไรอืๆต่างๆจนกระทั่งถึงเครื่องใช้จานช้อนชามจานช้อนช้อนชามโตต่างเตียงอุปกรณ์เสื้อผ้าหน้าแพ แว่นตายาซีฟันอะไรต่างๆนั้ น, นไปจนกระทั่งเครื่องมือเครื่องใช้จนมาถึงตอนนี้นี่เทคโนโลยีมันใช้อุปกรณ์ที่จะเอามาทำประโยชน์มันมันเราเข้าใจแล้วเราก็ใช้ได้ใช้เป็นเราก็ใช้ไปตามควรอยู่แล้วซึ่งเครื่องมือที่มันเก่งมันดีมันก็มีทั้งโทษและคุณ ถ้าเรายังไม่มีอำนาจไม่มีภูมิคุ้มกันเหนื อ, อยาไปเอามาใช้เช่นเรากำหนดให้เด็กนักเรียนเราเนี่ยยังเดียบไม่เดียงสาไม่ให้มาใช้โทรศัพท์มือถือไม่ให้มาใช้ไอ้คอมพิวเตอร์ไอ้ผงไอแพดอะไรที่ตามใจไม่ให้เพราะมันผีร้ายอยู่ในนั้นเยอะจริงเทวดาหรือพระเจ้าอยู่ในเครื่องใช้พวกนั้นก็เยอะแต่พระเจ้านั้น ถ้าคนที่ไม่เป็นยังไม่เดียงสายังไม่มีภูมิคุ้มกันยังไม่พลังพอที่จะต้านผี ไ, ด, ผได้ผีเอาไปกินหมดผีเอาไปกินหมดเพราะฉะนั้นเราจึงวางหลักเกณฑ์เด็กนักเรียนของเราไม่ให้ไปวุ่นวายแต่ไม่ได้ปิดกัน้นสอนแนะนําแต่อยู่ในสายหูสายตาของผู้มีภูมิคุ้มกันแล้วมีผู้ใหญ่ดูแลแล้วก็ช่วยศึกษาฝึกฝนสอนให้เขาแล้วก็พัฒนาเขาให้เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันสูงจนกระทั่งอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ ต่อไปแน่น่าเขาเขาจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้มันก็มีภูมิกุ้งกันของตัวเองช่วยตัวเองได้เขาก็ไม่เอามันไปใช้เป็นผีเป็นอาวุธร้ายให้แก่ตนเองให้แก่สังคมนนี่สิ่งเหล่านี้อาตมาว่าอาตมาพอมีปัญญารู้ก็ใช้อะไรอะไรเป็นหลักเกณฑ์เป็นสิ่งป้องกันเป็นสิ่งทีพ่พัฒนาพากันให้เจริญต่างๆก็พยายามอยู่ก็เป็นผลสําเร็จพอสมควรนเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ย ที่อาตมาพาทำพเราพาทำเรื่องพระราดอนระภาพพยายามที่จะให้เกิดความเป็นจริงของการเป็นพี่เป็นน้องพยายามอยู่มาปีนี้มาที่นี่มาบรรยายวันนี้อาตมาคิดว่าคงจะเข้าเข้าไปถึงภูมิธรรมของชาวใต้เมืองเพราะชาวใต้เป็นคนฉลาดที่น่าจะรู้เสิ่งเหล่านี้อย่าไปติดยึดอยู่แต่แค่ว่าโอ้กูสบายกูก็ไม่ได้เป็นคนโง่กูก็ไม่ได้เป็นคนไร้สินไร้ไม่ตอก เรื่องอะไรก็อยู่ของกูไปอิสระดีสบายดีถ้าจะมาเสียสละเพิ่มอีอกจะตายหรือไงรู้แล้วละว่าช่วยตนเองรอดมาเสียสละช่วยกันเพิ่มเติมเกื้อกูลลดกิเลสตัวเองขึ้นไปเถอะจะดีกว่าไหมเอาไปคิดดูมารวมตัวกันทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเราเนี่ยถ้าเล่นกีฬาเดียวนี่มันเก่ง ถ้าเล่นกีฬาหมูนี่มันแพ้เขาหมดคนไทยนี่นี่เป็นเชื้อแท้เหมือนกันชนิดหนึ่งของคนไทย เ, เพราะฉะนั้นแก้ไขเธอไอ้ความบกพร่องความเลวร้ายอันนี้มามาเป็นคนไทยเนี่ยหมูนี่แหละเก่งเดี๋ยวไม่เก่งไม่เป็นไรหมูนี่แหละเก่งทุกวันนี้ความเชื่อถืออันนี้ทั่วโลกยอมรับประชาธิปไตยแล้วคือ ความพร้อมเพรียงของชนผู้เป็นหมู่นี่เป็นภาษาของพระพุทธเจา้าสัพเพสังสังขภูตานางังสามขีวุติสาธิกาความพร้อมเพรียงของชนผู้เป็นหมูงย่อมยังผลสำเร็จสำเร็จทุกอย่างความพร้อมเพรียงของชนผู้เป็นหมุงทุกวันนี้อโศเราเนี่ยกลุ่มเล็กแต่มีประสิทธิภาพตรงความพร้อมเพรียงของความเป็นหมูงจริงๆ อโสองเนี่ยมีประสิทธิภาพตัววันนี้เนี่ยยืนลืมตาอ้าปากอยู่กับสังคมก็ได้เนี่ยเราเล็กนอกจากเล็กและจนอีกนอกจากเล็กและจนแล้วอีกไม่มีอิทธิพลด้วยไม่มีทุนทางสังคมอาภพขนาดนั้นอโสองเนี่ยอาภพอัปภาขนาดนั้นจริงไม่ได้พูดเล่นนะจนจริงๆจนกว่าเขาอาตมาเคยพิสูจน์ว่า ทั้งหมู่บ้านคงอยู่ใกล้ๆเขาบอกว่าอย่างบรรดาษนี่ก็มีหมู่บ้านข้างๆทีนี้มาถึงวันนี้แล้วเ็าบอกพวกโศกพวกบรรดาษเนี่ยมันรวยอพวกเขาสิจนแล้วจนรอดอยู่อย่างนั้นนะจนไม่งไม่เงยอาตมาว่าไม่จริงหรอกพวกบรรดาษเนี่ยจนกว่าพวกคุณเออจนอยังไงกันดูสิเนี่ยแจกชาวบ้านชาวช่องเขา กินอยู่ก็โอโหใครมาก็กินได้ไม่ห่วงไม่แหนเลยเพราะว่ามีเหลือมีเฟือเครื่องใช้ไม้สอยก็ดูสิเนี่ยหมู่บ้านเขาสร้างมาตั้งห้าสิบปีร้อยปีเขายังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนหมู่บ้านพวกคุณเลยแล้วมันจริงนะแต่ของเรามันสาธารณนโปเกรียพวกคุณมนมันไปกระจัดกระจายของกูของกูแล้วก็บมดใช้แต่ของกูอะไรเศษรษฐกิจก็เสียไอ้ความที่จะเป็นปึกแผ่นรวมตัวกันเป็นพลังรวมที่จะสร้างสารรค์ได้มันก็ไม่มี อาตมาก็เลยท้าพิสูจน์ว่าเอางี้ไหมอา้าวพวกคุณมาหมู่บ้านชาวบ้านของคุณมานี่อีพวกหมูม่คุณนี่ร้อยคนนั่งอยู่นี่ใช่ไหมอา้าวเราเอ า, า, อาเอาชาวโศกมาอ้าวมานั่งในร้อยคนอา้าวตกลงพิสูจน์กันซิว่าใครจะจนใครจะรวยในเนื้อในตัวคุณขณะนี้มีอยู่เท่าไรออกมาทั้งทองคําทั้งเงินธนบัตรอวบกอ ง, องข้างหน้านี่สิเอามาอาอกมาทุกคนเอามารวมกองสิอา้าวชาวาโศกมี มีทองคํามีเพชรมีพลอยมีเงินมีทองธนบัตรเอาเอาอกมากองเหมือ น, นกันตอบได้ไหมว่าใครจะกองมากกว่ากันเขาบอกว่าหมู่บ้านเขาจนนั่นแหละหมู่เขาหมู่บ้านไหนจะจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะมีน้อยกว่ากันตอบได้ไหมชาวโซมีน้อยกว่าคุณแน่นอนเลยพราะส่วนตัวเราไม่มีแต่ส่วนกลางก็เรามีแล้วก็ใช้ร่วมกันแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์เพื่อแพผ่ให้แกชาวประชาคมโลกด้วย อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรามีจิตใจแบบนี้จริงเราทํางานเพื่อประชาชนเพื่อมวลชนทุกวันนี้เนี่ยการเมืองด้านการเมืองภาคประชาชนนี่เราทเราช่วยแต่เรายังไม่ทางหนะเรายังไม่ดีทุกวันนี้เนี่ยเราอาโศกนี่อาตมาภาคภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเราไม่เป็นหนี้ข้างนอกแล้วชุมชนส่วนกลางของอโศกทุกแห่งไม่มีหนี้ข้างนอกไม่มีหนี้ ที่ไปเสียดอกเบี้ยจากในธนาคารก็ดีในอะไรก็ดีส่วนตัวอาจไม่เกี่ยวนะอาจจะมาไม่เกี่ยวนะส่วนตัวตัวใครตัวมันแต่ส่วนรวมของชุมชนกลางเนี่ยไม่บีบกันนี้สําเร็จแล้วสองพึ่งตนรอดเลี้ยงดูตนเองรอดถึงแม้ว่าบางชุมชนจะต้องให้ชุมชนอื่นเกื้อกูลบ้างเราก็เกื้อกูลกันอย่างญาติจริงๆ ไม่ได้ไหมายก็เกื้อกูลจะต้องเด้อออามาใช้คืนนะดอกเบีย้ยเกิด น, นะไม่มีแม้แต่จะเอาเงินไปช่วยกันก็คืนดีไม่ดีชักดาบหรือซ้ําบางที่อ่ะแล้วก็ไม่ว่า ก, กันก็พี่พี่น้องๆกันแต่พูดไปแล้วนี่ก็เลยได้ใจก็เลยชักดาบคนใหญ่เลยนะอจะมาก็สวยกันพอดีอระวังเถอะพราะของเรานี่ทําได้สําเร็จหนึ่งไม่เป็นหนี้สองพึ่งตนรอดสามสร้างให้มาก เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็พยายามสร้างให้มากให้มันเหลือกินเหลือใช้พอที่จะไปเผื่อแผ่ข้างนอกได้สี่เผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อฝ่ายข้างนอกเราทำํำพวกเราการเมืองพักเพื่อฟ้าดินเรานี่เราช่วยอยู่เป็นการเมืองภาคประชาชนการเมืองภาคประชาชนคืออะไรเราช่วยประชาชนโดยพวกเราเป็นพักการเมืองหรือเป็นมวลชนชาวโศกทั้งมวลนี่แหละคือพักการเมืองจริงๆและทํางาน ทั้งส่วนตนและส่วนประโยชน์ประชาชนช่วยประชาชนอยู่แท้จริงอธมาพาทรรมอยู่ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเข า, เาไปไม่ได้รื้อฟื้นไม่ได้มานั่งคุยตัวอะไรเช่นเราก็ร่วมเป็นอบอรตอร่วมเป็นผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นผู้บริหารหมู่บ้านร่วมกับเขาเสร็จแล้วเขาออกเขาได้เงินส่วนกลางมาเขาก็จะแย่งกัน ชาวโศกไม่เคยแย่งเอาไปเลยอย่างหมู่บ้านตำบลนี้มี12หมูบหม่บ้าน11หมู่บ้านคุณหารกันเลยคุณถักโศกออกได้คุณได้เท่าไหร่คุณก็เฉลี่ยกันไปเราไม่เอาอย่างนี้ก็คือการเมืองภาคประชาชนเราไม่ได้แย่งเพราะเราพึ่งตนเองรอดเราไม่เป็นโลภโมโทิสันนอามาเป็นของตนอย่างนี้เป็นตน้นจนทุกวันนี้เนี่ยหมู่บ้านที่อยู่ พวกเราอยู่ด้วยร่วมหมู่บ้านของเราอย่างบรรดาษนี่ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งศรีสะอศกเป็นหมู่บ้านหนึ่งทางนิตินเราก็บริหารหมู่บ้านเราแบบนี้นะแล้วก็ร่วมกับสังคมก็แบบนี้เขาได้เงินมาทำถนนได้มาแสนหนึ่งไม่ไมใช่แสนเท่าไหร่ให้จาได้มั้งไปทาถนนเส้นอ่ะ เดนเดียวไงที่เด้อไม่ใช่แสนไอ้เส้นที่เราไปทำข้างโรงเรียนน่ะสองล้านไม่ใช่เราทำให้เขาอะ่ะเขาได้ทุนมาแล้วเขาทำเขารู้ว่ามันไม่พอเขาก็เลยมาให้อโศกอโศกเขาไปทำแล้วกัน่างเง้มันน้อยอ่ะก้อนมันน้อยอ่ะอโศกเราก็รับมาแล้วก็ทำให้เขาเทปูในเขานี่สเตร็ง รับรองว่าปัตรฐานเลยนะความแน่นของปูนทำให้แล้วก็หนาทำให้เขาเป็นถนนปูนข้างโรงเรียนนั้นก็เสร็จแล้วก็หมดไปตั้งหลายตังแม่แต่ทําคนเวิร์ดสะพานแล้วก็ลงทุนไปเขามีตอนนั้นเขาจ่ายไปอันนี้เียที่พูดมูถึงอันนี้คุณในีพูดเราจ่ายไปสองล้านแต่เขาให้เงินมาเจ็ดแสนหรือเก้าแสน เจ็ดหมือนอัตมาจําตัวเลขผิดไปไกลขนาดนั่นเเลยทำคอนเวิร์ตแล้วก็ทำถนนต้องปูอะไรอะไนั้นเสร็จเราก็เลยไปช่วยเขาทำเสร็จจ่ายไปสองล้านเขาให้มาเจ็ดมือนนี่คือการเมืองภาคประชาชนที่เราทำดังนี้เป็นต้นนี่ตอนนี้เราก็จะทาช่วยทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาอีกเส้นหนึ่งประมาณสองกิโลกว่านี่ก็ไปตรงลงคุยกับกำนันเก่าแล้วพบันที่ของเขา ที่ของญาติของเขาก็บอกว่าเขาจะสละให้เราก็บอกเอาตกลงทําความเจริญสู่ญานนี้ทําถนนจากเส้นใหญ่เข้ามาเลยกว้างแปดเมตรนะแต่ก็ทําถนนดินก่อนนะทําถนนลูกรังก่อนอย่าเพิ่งไปให้เป็นถนนดําหรือถนนปูนเลยเพราะว่ายังไม่มีบัญญาที่จะทําได้ขนาดนั้นก็ตกลงเราก็ไปสํารวจแล ะ, ะดูที่ทางแล้วก็กําลังเตรียมตัวกันตอนนี้ก็มีผู้ร่วมมือให้ยืมรถ บดให้ยืมรถบดให้ยุมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์มามีผู้เข้าใจและเขาก็เป็นเจ้าของกิจการทางพวกนี้เยอะเขามีเครื่องมือพวกนี้เยอะเขาเห็นเราจะทำงานเขาเข้าใจเข้าใจพวกเราเขาก็เลยบอกเอาเ้าร่วมมือเต็มที่และสิ่งที่จะช่วยได้เพราะเราจะมีอุปกรณ์ที่จะมาช่วยทําอันนี้ขึ้นได้เหมือนกันแต่แน่นอนมันก็ของลงทุนอีกหลายล้านเมื่อสองกิโลเมตรในชายไกลๆเบิกมาหมดเลยนะยังไม่มีพื้นฐานเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นถนนเก่าแล้วก็มาบูรณนะนี่มัน สร้างถนนใหม่เลยอสองกิโลกว่าเนี่นี่ก็คือการเมืองภาคประชาชนที่เราทำสาธารณูปโภคให้แก่เพื่อนฝูงที่พอมีแรงที่จริงมันก็เต้อุ้มคอมอยู่มันก็ไม่ใช่ว่าเก่งขนาดแมหมเหลือเฟือแต่พอได้อะพอได้เราก็ทำไปอย่างนี้แหละเซสลับไปนี่คือการกา ร, กา ร, ก, ารการศึกษาทางพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนเช่นนี้แล้วก็ทาจริงเช่นนี้ไป เขาเอาพรอัตมาพูดแล้วมันเหมือนกับอวดตัวอวดตนอวดใหญ่อวดดีเอาดีมาโชว์กันละเกินก็เอาละพูดให้ฟังขนาดนี้เอาของจริงมาพูดให้ฟังว่าอัตมาพาพวกเราทําอะไรทําแค่ไหนอย่างไรเราทําอย่างนี้ถ้าเรามีปัญญาหรือมันมีมีทุนรอนมีแรงงานมีคนมาร่วมกันมากกว่านี้ได้เราก็จะทําดีกว่านี้ทุกวันนี้เรามีสันโดรเรามีความพอแต่ละคนก็ไม่ได้มาร่วมโมโตสันเพิ่มแล้ว มีตัวนี้กินตัวนี้ใช้เท่านี้แม่แต่แค่ปัจจัยสี่เสื้อผ้าหน้าแปลงของเราก็รับเข้าใจแล้วแฟชั่นมันจะหมอมเมามันจะปลุกเกล้ากันขนาดไหนเราก็เข้าใจแล้วให้เขาปลุกเกล้ากันไปบ่าบอกันไปเราก็รู้แล้วเสื้อผ้าหนาแป่ใส่กันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยกันอุจาร์เราก็เรียบร้อยดีแล้วแล้วก็พอแล้วนี่คือส้นโดดการกินเราก็กินแค่นี้เราก็พอแล้วแม่แต่กินเนื้อสัตว์เราก็ไม่กิน ไปทำลายทำลายให้จิตมันมีบาปให้จิตมันอมมหิตจะต้องไปไอ้คนนี่นะเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูอาชาโอ้เอาใม้มันกินบางทีบางคนนี่โอ้อาบนา้ำอาบใายมันเลยนะเสียแล้วพอมันโตขึ้นมาลงหมกแกงมันอมมหิตขนาดไหนอะ เลี้ยงมันมาเหมือนลูกแต่เสร็จแล้วคุณก็มาฆ่าลูกกินหรือไม่ก็ขายเข้าไปฆ่าอย่างอำมหิตนั่นแหละก็รู้ว่าเขาเอาไปฆ่าแล้วก็ไม่รู้ไม่ชี้เฉยๆเป็นคนหรือเปล่าขออภัยนะทางใต้เนี่ยทำอาชีพประมงทำอาชีพเลี้ยงตัดอะไรมากอยู่ก็ขออภัย นี่อาจจะมาก็เลี่ยงไม่ออกสัจธรรมมันเป็นเช่นนั้นก็พูดสัจธรรมสู่ฟังเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ไปสร้างเชื้อวิบากไม่ไปสร้างอะไรจิตใจของเราให้มันอาตมาเรียกตัวอย่างไปแล้วอาตมาเรียกจิตอย่างนี้ว่าจิตอมหิษนะเลี่ยงมาแล้วก็ฆ่าซะเองเลี่ยงมาด้วยมืออย่างด้วยความรักแต่ก็มาฆ่าด้วยอรมหิตเนียมันอมหิตซ้อนไหมอ่ พระอาหันตมาถึงบอกว่าเออคนเรานี้ไม่ศึกษาสัจธรรมแล้วมันจะไม่รู้ไม่เข้าใจถึงว่าชีวิตคืออะไรพระพุทธเจ้าถึงมีหลักเกณฑ์ไม่ฆ่าสัตว์ใดๆเลยแม้แต่ข้อแม้ว่าจะฆ่ามากินเพื่อเลี้ยงชีพไม่มีไม่มีข้อแม้ไม่เงื่อนไขฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยเท่าไหร่ก็ไม่ไม่นอกจากจะมันเกินไปเช่นว่าฆ่าแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคมันก็เป็นสัตว์แล้วก็จะจําเป็นแล้วก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้สุดแต่ถึงอย่างไรวิบากมันก็น้อยกว่า เพราะว่าสัตว์ขนาดนั้นมันก็มีวิบากของมันต้นทุนมันก็ไม่เสงว่าเป็นอะชินไตก็อธิบายไปอีกยากนะสรุปแล้วในเรื่องการศึกษาของผู้คนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านศึกษาอาตมาสรุปมาไม่รู้กี่ทีพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาอะไรเลยในการเกิดบำเพ็ญบารมีศึกษาความเป็นคนกับสังคมจนบรรลุความเป็นคนกับสังคมในวัฏสงสารมหาเอกภพนี้ จะเกิดอีกกี่กับกี่กันอีกนานับกับการมันเช่นนี้ทั้งนั้นแหละคนก็คือจิตวิญญาณแล้วก็มีชีวิตอยู่ด้วยกรรมการงานกรรมกิริยาอย่างใดดีที่สุดท่านปั่มวลลงมาเป็นทฤษฎีเป็นคําสอนหมดแล้วให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็กระทาไปถ้าคุณเชื่อว่าอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเอาสมบัติ แห่งความรู้ลุทธิศรีที่จริงของพุทธเจ้ามาเผยแพรม่มาประกาศเพื่อที่จะตามหาลูกหลานญาติถ้าผู้ใดมีเชื่อมีปัญญาก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้เชื่อดีเอเอของพ่อปู่ทวดคุณก็มาเอาถ้าคุณรู้ว่านี่คือดีเอ็เอของพ่อของปู่ของตวดที่จะต้องเอาถ้าใครไม่มีดวงตาก็แล้วไปไม่มีปัญญาจะรู้ แต่ตมาก็แนะแล้วนะแต่ไม่ได้มาครอบงําทางความคิดก็เห็นเองรู้เองตัดสินเอาเองจะมาเอาก็มาเอาเอา็อพระเจ้าท่านก็บอกอยู่แล้วว่าเราเผยแพร่ศาสนานี้ทํางานาศาสนานี้ไม่เพื่อให้คนมานับถือไม่เพื่อให้เกิดบริวารใขรจะมาก็มาเองจิตอิสระเสรีภาพหรื อ, อยิ่งไปทําเพื่อแลกลาบยศเสินไม่หรอกไม่ทําอยู่แล้วหรือมาทําเบ่งอํานาจเพื่อจะไปล้มล้างคนอื่นไม่ล้มล้างใครใครจะล้มก็ล้มเอง เราไม่ไปล้มล้างใครแล้วไม่ทําคุณจะล้มก็ล้มเองเรามีแต่ช่วยคนลุกอช่วยคนลุกไม่ไปช่วยกซ้ําเติมคนที่ล้มไม่เอาเอไม่ซ้ําเติมคนล้มมีแต่ช่วยคนลุกช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยตามที่มีความสามารถมีแรงมีโอกาสก็ช่วยอ น, นี่คือศาสนาพระพุทธเจ้าพยายามเผยแพร่และพยายามให้คนมาทํา โดยวิธีการตามที่ท่านปรัดท่านกฤษทาวาธีตถาการีพูดอย่างไรก็ทําอย่างนั้นทําอย่างไรก็พูดอย่างนั้ น, นวันนี้อาตมามาชี้ทั้งคุณที่เป็นพระราดอความเป็นพี่เป็นน้องที่ลึกซึ้งพอจะทราบซึ้งใจไม่ได้ในงานพระราดอลภาพทราบซึ้งใจเนี่ยน ะ, นะคนใต้เองตั้งชื่อเองนะ พระดดาวรพาศราบซึ้งใจในอาตมาเพาเฉยเฉยภาษาตั้งชื่อแต่ก็มีเนื้อหาดีเนื้อหาดีมากแต่ภาษามันเฉยเฉยในฐานะอาตมาเป็นกวีคนหนึ่งน่าอุปโลกตัวเองเป็นกวีเลยนะอ่าว่าภาษามันเฉยอพระดดาวรพาศราบซึ้งใจว่ะฟังแล้วเฉยบันไลยเลยแต่ก็เถอะไม่เป็นไรเนื้อหามันดีเนื้อหามันถูกต้อง<พ>อไม่ต้อง ตั้มาแล้วว่าเหมือนกันล่ะคุณชื่อสมหมายก็สมหมายไปเลยไม่ต้องชื่อใหม่อ๋อโธแล้ว น, น, นั่นไม่บอกเลยชัยวิทย์เลยเหรอชาชาชาเทศสมยอก โ, โอ้โหชื่อชัวิทย์เลยเหรอแต่ยังเชยอยู่ในตาฐานะสายตาของชาวโศกชื่อชัยวิท ย, ย์โนชื่อเบรือเบรืออะไรเงี้ยชื่อเชยเชยเชยเชในสายตาของชาวโศกชาวโตกชื่อไทยไทยฟังแล้วรู้เรื่อง ฟังแล้วไม่รู้เรื่องต้องไปแปลอีกเปิดปัจจานุกรมสามเล่มนี้ยังไม่เจอว่ามันแปล อ, อะไรวะแล้วก็นึกว่าเท่เอาว่ากันไปนะ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็ตั้งชื่อนี้แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนหรองใช้มาตั้งหลายปีลถึงสิบปีแล้วน่ะกว่าสิบปีแล้วอ่าพระรารลพลาพทราบซึ้งใจเนี่ยนะก็ะ <c oughs> ดีแล้วก็เอาเนื้อหามาขยายก็ดีแล้ววันนี้อาตมาก็ขยายความเป็นพระรารลพลาพก็คงจะเข้าใจความเป็นพระราดลพลาส ก็คงจะซาบซึ้งใจได้จริงๆซาบซึ้งใจจนสามารถจะเปลี่ยนจิตใจของเราให้เปลี่ยนมาเดินทางในสิ่งที่ควรก็จงทำนะไม่ได้บังคับนะคำว่าจงทรเรมยก่ขอแก้กรุณาธรรมเอาแก้ไขจากจง ร, รมไปได้จะกลายเป็นคอมมานดอัตมาไม่ชอบเรเป็นคอมมานเดอร์ไม่เอาทีนี้เรื่องของภัยในคำหลัง ไทยไทยเฉยอันนี้จริงที่แท้เลยทุกวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยมันพัฒนาไม่ขึ้นแก้ประเด็นปัญหาที่มันลำบากลําบนและกรทรมานอยู่ผืออื่นพระองค์อยู่ขนาดนี้ยก็เพราะไทยเฉยคือคนไทยทําไม่รู้ไม่ชี้ที่มันเป็นเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะการสอนในเรื่องของปรัชญาหรือความรู้ปรัชญานั่นมาจากไหนปรัชญานั้นมาจากศาสนา ศาสนาสอนความเฉยหรือภาษาบาลีว่าอุเบกขาเนี่ยผิดสอนความเฉยผิดคือเฉยแล้วไม่เข้าข้างคนใดเฉยไม่เข้าข้างคนถูกไม่เข้าข้างคนผิดเป็นกลางกูนี่แหละเป็นกลางใครจะดีใครจะไม่ดีเองทําไปกูไม่เอาด้วยกูเฉยนี่คือมิจฉาทิฐิ เป็นความเฉยที่ผิดวางเฉยที่ผิดพระพุทธเจา้าเร่องสอนเราหนึ่งให้ไปคบหากับคนเป็นบัณฑิตแท้เป็นปาฏอย่าไปเข้าข้างกับพานชนก็รู้กันว่าพัฒนาสอนกันนี่เป็นรูปธรรมหยาบจงมาอยู่กับหมู่บัณฑิตจะไปอยู่กับหมู่พานนี่เอาตัวร่างกายเลยเข้ามานี่หยาบที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่กับหมู่พานนี่คือคนเป็นออกข้อไปไมันเป็นไรออกขาพานเลยคนที่ไปอยู่กับหมู่พานนี่คือคนมีชาทิฏฐิคือคนที่ไม่เป็นกลางคนที่เขายัางเข้าใจผิดอยู่ไปอยู่กับหมู่พานก็เป็นคนผิดนะ่ะยิ่งโง่ออไม่รู้หมู่พานก็ซวยไปเลยคขาไม่รู้ว่าหมู่ไหนพานหมู่ไหนบัณฑิตแล้วก็ไปอยู่กับหมู่พานก็ต้องซวยไปอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ แต่ทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นผ่านชนคุณก็ยังไปเข้าข้างคุณก็ยังไปเป็นหมู่อยู่นี่แหละนี่แหละมันเข้าข้างที่ผิดอ่าเสร็จแล้วเข้าข้างผิดแล้วยังไม่พอเข้าใจผิดอีกว่ามาเฉยดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนอุเบกขาเฉยแล้วก็ไปตู่คาสอนพระพุทธเจ้าว่าเฉยคือไม่เข้าข้างคนดีไม่เข้าข้างคนชั่วชั่วก็ชั่วไปดีก็ดีไปเข้าข้างกันไปข้า มีธรรมะสูงอุเบกขาไม่เข้าข้างคนดีไม่เข้าข้างคนบัณฑิตไม่เข้าข้างปราชส์ไม่เข้าข้างคนพานไม่เข้าข้างคนชั่วก็ดีแล้วแต่ไม่เข้าช่วยคนปราชส์ไม่เข้าช่วยบัณฑิตไม่เข้าไปอยู่กับคนบัณฑิตช่วยกันเพื่อที่จะให้มีพลังรวมเพื่อที่จะได้จัดการให้พลังคือถ้ายิ่งประชาธิปไตยนี่มวลมากเท่านั้นก็ชนะแล้วใช่ไหม ชนะห น, นึ่งคะแนนชนะครึ่งคะแนนก็ชนะแล้วใช่ไหมครึ่งคะแนนคือใครรู้ป่ะคือประธานถ้าบทกันแล้วนี่แพ้ชนะมันเท่ากันเลยคะแนนเท่ากันเลยก็ต้องขอครึ่งคะแนนจากประธานไม่ให้หมดคะแนนนะประธานต้องให้ครึ่งเดียวนะให้หมดไม่ได้ถ้าคืนให้หมดเป็นประธานไม่ได้ใช่ไหมให้มันหมดเลยไม่ได้เอียงต้องให้ครึ่งหนึง่งเอาไว้ครึ่งหนึง่ง เพื่อข้า้งนี้มันกลับตัวก็ให้มันครั้งนี้นี่คือประธาน <c oughs> เข้าใจไหมอ่าเพราะฉะนั้นคนที่ให้คะแนนครึ่งนี่มันคือประธานอ่าแวะไปเรื่อยอาอธิบายเข้าต่อเรื่องของไทเฉยที่นี่อุเบกขาที่สอนกันมาผิดนี่แหละไม่เข้าข้างคนดีไม่รู้จักบัณฑิตอาตมาเอาหลักฐานพระเจ้าจมาสอนเอามาอ้างยืนยัน ต้องอยู่กับบัณฑิตต้องเข้าข้างบัณฑิตอย่าไปเข้าข้างคนพา น, นี่รูปธรรมสองท่านสอนว่าต้องตำหนิคนชั่วคมคนชั่วยกคนดีเชิดชูคนดีนิคันให้นิขหรหังปักคันให้ปักขาหาราหังนี่ก็เป็นคำสอนของพระเจ้ากายกรรมก็คือเข้าข้างบัณฑิตวจีกรรมก็ช่วยกันถล่มคนชั่วแล้วก็ยกคนดีก็มีหลักฐานอยู่อย่างนี้ มโนกรรมก็ให้เข้าข้างคนดีอีกโดยทาตนเป็นผู้ที่อยู่บนยอดปราสาทแลวมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นคนชัดว่าอะไรอยู่ในหมู่ชั่วหมูด่ดีแล้วจงใช้พลังทางจิตหรือปัญญาไปทำกับคนดีอย่าไปทำกับคนชั่วท่านเรียกว่าอะไรป้าปาสาธะอะไร ปราชปัญญาปัญญาที่เหมือนอยู่บนปราสาทมองเห็นใช้ปัญญาตรวจสอบให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วจงสนับสนุนคนดีอย่าไปสนับสนุนคนชั่วนี่คือทางด้านมโนกรรมมโนกรรมวิมรรมจีกรรมกายกรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปอยู่ข้างชั่วเลยหรือให้เกินกลางกลางไม่เข้าข้างใครเนี่ยจะมาเอาหลักฐานความจริงแม่เป็นภาษาบาลี เป็นหลักฐานก็เอามายืนยันสู่ฟังแล้วสรุปแล้วความเป็นกลางต้องเข้าข้างคนดีเพรา ะ, ะนันคนที่เรียนมาผิดนะเรียนมาผิดความเป็นกลางอัตมาแบ่งออกเป็นอย่างนี้หนึ่งความเป็นกลางนะชนิดคนโง่ไม่รู้ว่าใครเป็นกลางไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วข้อภายไปใช่ไม่รู้คนใครไปกลางไม่รู้ใครดีใครชั่ว ก็เลยเข้าข้างใครไม่ถูกมันไม่รู้มันโง่พูดชัดชัดมันไม่มีปัญญารู้ว่าใครดีใครชั่วอ้าก็แล้วไปเธอไปโทษไปไม่ได้หรอกไอ้คนโง่พันที่เนี้ยใช่ไหมก็มันไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วแล้วมันจะเข้าข้างกันว่าใครได้เนี่ยตัดสินไม่ได้อ้าวแล้วไปนี่ประเภทคนเป็นกลางมันก็เลยอยู่กลางๆมันไม่เข้าข้างใครเพราะมันโง่ก็ยอมใครจะยอมโง่บ้างแต่ยอมโง่ก็เป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน ทีนี้คนไม่โง่มีปัญญาแต่มิชาทิฏฐิแต่เข้าใจผิดถ้าจะผิดคืออะไรก็คือเข้าใจว่าความเป็นกลางต้องอยู่กลางๆไม่ข้อข้างใครนี่แหละคือมิชาทิฏฐิบอกแล้วาศาสนาพุทธไม่เคยสอนจ้างอ้างยิงหลักฐานมาแล้วไม่เคยสอนเป็นกลางก็คืออยู่เฉยๆไม่ข้อข้างใครนี่แหละบ้านเมืองจะล่มจมเพราะอันนี้ ใครเฉยนี่แหละนี่คือสองอันหนึ่งความเป็นกลางที่มันใช่ไม่ได้อันหนึ่งก็คือโง่ก็ไม่รู้จะบังคับกันได้ไงถ้ามันโง่ไม่รู้จริงๆก็ต้องพยายามภาคเพียรดูเพราะงั้นหลักการแกไอ้หลักใ ก, ใ ก, ใ ก, ใการง่ายๆเขาก็เลยใช้มวลแต่ละนั่นก็ดีในหมู่คนน้อยอะ majority rule minority right ฝรั่งเขาก็ว่า แม้จะมวลใหญ่ตามกฎตามเกณฑ์ของประชาธิปไตยนี่เขาเอามวลใหญ่เป็นหลักก็จะต้องดูความถูกต้องหรือความจริงหรือว่าเรียกว่าอะไรอะ right อะไรนอกจากความจริงความถูกต้องแล้วเขาเขาแปลอันเนี้ย right m o r i t y right ลืมไปได้ นอกจากความถูกต้องแล้วมันฮะไม่ได้ไปถามอันโน้นถามไอ้ไรนี่มันแปลว่าอะไรอีกอันหนึ่งอะอ่าสิทธิอ่าใช่ไหมไอ้ความถูกต้องนั่นก็คือไรสิทธิมนุษยชนก็คือไ ร, ออรสิทธิมอะ human rights นั่น่ะสิทธิมนุษยช น, นอะ human rights เนี่ยอาตมาลืมมันไปคิดไม่ออกมันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่รู้หรอกรู้อยู่แต่มันลืมอ่่่าาแตวสัญญามันอย่างนี้มันไปเทียงนะเพราะงั้นแม้แต่คนส่วนน้อยมนุษย์ี่คนจํานวนน้อยแต่เขาถูกต้องเขามีสิทธิมนุษยชนทิ้งเขาไม่ได้หลักประชาธิปไตยคนเรียนรัฐศาสตร์ก็เรียนอยู่เรื่องนี้อันนี้ถูกต้องจริงกว่าด้วยถ้าจะว่าจริงมันคือไรมันคือความถูกต้องทแท้จริงแล้วก็เป็นสิทธิมนุษย์ สิทธิมนุษยชนที่จะต้องยกคนที่ถูกต้องหรือละเว้นยกไว้ต้องอภัยต้องไม่ไปละลาบละลวงคนคนถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมเข้าใจกันอยู่แม้จะมีประชาธิปไตยใช้ม j จ r i t y ี u รูก็ตามก็ยังจะ ต, ต้องใช้ต้องอย่าละเว้นมโนร t ตีไร h t อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะในสัจธรรมที่บอกว่าความวางตัวเป็นกลางนั้นอาตมากล่าวมาแล้วสอ ง, ส อ, งอันอันไม่รู้มันก็เข้าข้างใครไม่ได้แม้รู้แต่ไปเข้าใจผิดไปเอาปรัิญาผิดมาจากไหนก็ไม่รู้าศาสนาพุทธไม่เคยสอนอาตมาขอยืนยันผู้ที่สอนว่าไม่ต้องเข้าข้างใครทั้งดีทั้งชั่วนั้นนะคนนั้นทําลาย คำสอนพระพุทธเจ้าอาตอมาขอกล่าวอย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นอ้า ง, งอิงหลักฐานมาหมดแล้วทั้งกายกรรมรจีกรรมมโนกรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่ไม่ให้เข้าข้างบัณฑิตไม่เคยข่มคนชั่วยกคนดีหรือแม้แต่จิตวิญญาณก็ต้องตรวจสอบสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็ต้องส่งเสริมคนดีเข้าข้างคนดีทุกอย่างเลยท่านสอนไม่หมดกายวาจาใจอ เพราะงั้นผู้ที่รู้ทั้งรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วแต่ไปได้ปรั ญ, ญาผิดผิดมาแบบนี้จึงพาสังคมบันเลยอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันที่สามก็คือผู้ที่มีทั้งปัญญารู้แล้วและเป็นทั้งสมาธิด้วยก็ต้องเข้าข้างคนดีเพราะฉะนั้นอุเบกขาจึงไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆทั้งโง่ไม่รู้ว่าจะเข้าข้างใครทั้ง เข้าใจผิดมิชาทิฏฐิอุเบกขาความเป็นกลางต้องเข้าข้างคนดีถ้าเผื่อว่าคุณมีปัญญาคนไม่มีปัญญาเขาแน่นอนแหละเขาจะเข้าข้างไหนไม่เข้าข้างไหนนะแล้วแต่ว่าใครจะเก่งไปครอบงามเขาได้เขาก็ต้องใช้วิธีการเหมือนกันครอบงามคนโง่นี่ไม่เขารู้กับครอบงามบอ ม, มเมาปลูกเลาให้มันตามเอาอำนาจลาบยศสนเสริญประคมประเดยประดังให้มาเป็นพวกเป็นหมู่เขาก็ทากันอยู่ด้วย ความอุตสาหาวิริยะกันอยู่ก็เห็นกันอยู่ทุกคนก็ต้องทำวิธีนั้นแต่อาตมายังเชื่อว่าคนไทยไม่ได้โง่เงาอย่างนั้นหรอกโดยเฉพาะปักใตน้นี่ว่าฉลาดฉลาดเนี่ยแต่ก็กลายเป็นฉลาดเชโกคือเฉยเป็นไทยเฉยก็อยู่สบายนี่นะ ก, กินกินนอนๆอนี่หละไม่ว่าภาคไหนก็แล้วแต่ ตอนนี้อยากขอร้องเลยอย่าไปไทยเฉยเลยเข้ามาช่วยกันใช้ระบบตามระบบของโลกนี่แหละประชาธิปไตยคือการออกคะแนนเสียงการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลไปเป็นตัวแทนนั้นเป็นประชาธิปไตยขั้นที่หาขั้นที่ห้า ประชาธิปไตยขั้นที่หนึ่งก็คือตัวออกมาแสดงตัวเป็นเป็นสดๆ ต, ตามรูปเลยหนึ่งคนหนึ่งเสียงร้อยคนร้อยเสียงล้านคนล้านเสียงออกมาเลยมีมวลล้านคนล้านเสียงเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปล่าลายเส้นไม่ต้องไปอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรมาเป็นตัวๆเลยเนี่ยออกเสียงได้แม้กระทั่งคนพิการห้ามไม่ได้นะกฎหมายไม่มีใครละเมิดได้เลยว่าประชาธิปไตยในคนพิการห้ามออกมา่ จะแจ้งคะแนนเสียงว่าฉันก็เป็นคนในประเทศนีคนหนึ่งเหมือนกันนะมาออกเสียงด้วยหนึ่งเสียงห้ามไม่ได้แม่คนมีการเขาจะออกมาก็ห้ามไม่ได้เด็กได้หมดทั้งเด็กผู้ใหญ่ไม่มีกำหนดเลยนี่คือประชาธิปไตยนับหัวเลยล้านหัวแล้วสงบอย่ามีอาวุธตามหลักเกณฑ์สากลออกมาต้องการอะไรต้องการให้คุณเลิอกอันนี้ต้องการให้คุณออกไปต้องการให้คุณทำมันนี้ เป็นสิทธิมนุษยชนของประชาธิปไตยทาได้เพราะน้เราต้องการความเป็นหมู่มวลแห่งประชาธิปไตยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อจะสวยงามเป็นประชาธิปไตยที่สวยงามกว่าโลกในเลยอัตมากล้าพูดเลยว่าขณะนี้เนี่ยถ้าประเทศไทยมีมวล65ล้านคนนี่นะออกมากลางถนน30ล้านคนเดียยนี้เชื่อไหม คณะรัฐบาลนี่ตัวรัฐบนตรีหรือไดไดเปิดนับเลยไม่กล้ายอยู่ในประเทศเชื่อไหมอัตม า, ตาสมมติให้มันเป็นจริงมันเป็นไปได้ถ้าสามสิบล้านคนออกมาจริงๆเลยบอกว่าออกไปเท่านี้แหละเขาต้องออกเลยแล้วรีบรับรองออกจากนอกประเทศแล้วก็จะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะเขารู้ว่าเขาทำผิดหรือไม่ผิดประชาชนสุดทนแล้วอย่างนี้เขาอยู่ไม่ได้แร้ คนทำผิดรู้จักว่าตนเองทำผิดนะแม้แต่ไม่ทำผิดคนที่ยังทำไม่แข็งแรงอาสามาดูแลบ้านเมืองทำให้บ้านเมืองให้เขาเดือดร้อนมันไม่ผิดเขาไม่ได้ทาผิดนะเขาไม่ได้ทุจริตนะแต่เขาไม่มีความสามารถกอบกู้ได้คุณก็ต้กลัวประชาชนจะเล่นงานคุณเหมือนกันนั่นแหละแม้ไม่ผิดไม่ทุจริตอาตมาว่าเขาไม่กล้าอยู่ในประเทศเหมือนกันนะต่ยิ่งมีความผิด อยู่ไปสิลองดูถ้าทำความผิดเนี่ยและประชาชนออกมาทวงถึงขนาดนี้จะอยู่ได้ใช่ไหมอตาตมาว่าเมืองไทยมันไม่น่าด้านถึงขนาดนั่นมั้งไม่ต้องถึงสามสิบล้านคนลอกล้านเดียวอตาตมาก็ว่าจะประสิทธิผลเลยเพราะจะนั้นคราวนี้นี่นะภัยไทยเฉย ต้องเอาไปคิดแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้หน้ากา ก, ากขาวกําลังทําอยู่เนี่ยพยายามรักษากติกาเป็นไทยออกมาใช้ประชาธิปไตยให้ถูกต้องตามระบีบระบบให้ดีเอามารวมมวลกันเลยอย่าเบงใครจะมีสมรรถนะความรู้ความสามารถเข้ามาทำแล้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่ากลางอย่าอยากเป็นใหญ่อย่าอยากเป็นหัวหน้าอยากเป็นแกนนําอยากเป็นนนท้นนนี้ คุณทําไปเลยอย่างอ่อนน้อมทําตนรับใช้ไปเลยรับใช้มวลชนมีความรู้ความสามารถเท่าไรรับใช้สอกสอกเลยแล้วอย่าเบ่งพยายามเข้าใจเลยว่าเออการจะกลางการจะทําตัวอยากจะใหญ่จะโตนี่มันคืออะไรอย่าทําอย่าแสดงออกด้วยกายกรรมวิจิกรรมทําให้จริงจริงใจเลยแล้วออกมารวมมวลกันทําจริงๆเราต้องการความสามารถนะคนเก่งไม่ใช่ว่าออกมาแล้วก็ทําเป็นคนโง่ทําเป็นคนไม่รู้เรื่องไม่เอาออกมาคุณมีความสามารถก็ทา ต้องชัดเจนนะว่าอย่าเบ่งอย่ากลางอย่าอยากใหญ่เชื่อไหมว่าถ้าคนที่ไม่อยากใหญ่ได้สนิทจริงนั้นคนนั้นจะใหญ่เองประชาชนไม่งงนะที่จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนมีความสามารถคนควรจะเป็นผู้นำและเขาจะยกให้อย่างที่เขาไม่อยากเป็นเลยแล้วก็ไม่แสดงอาการอยากเลยจริงใจที่สุดด้วยและเขามีความสามารถอย่างแท้จริงเขาจะได้รับ จะไปดูถูกมนุษย์ว่าเขาจะไม่รู้ต้องแสดงออกมั้งงั้นจะไม่รู้ว่าฉันเก่งมันต้องกลางต้องลีลาคนฉลาดจริงเนเขาจะรู้เองไม่ต้องรู้ไม่ต้องคนฉลาดจริงหรอกคนทุกคนมีความฉลาดพอสองควรที่จะรู้อะไรเรื่องเสแสงหรือเรื่องจริงใจมากหรือน้อยก็แล้วแต่อาจจะฉลาดรู้ไม่จริงเท่าไหร่เขานี้เก่งมันกลบเกลื่อนหลอกคนได้ก็เอาจะหลอกได้อย่างไดก็คือหลอก แล้วคนเขาก็จะต้องรู้ความจริงมากกว่าที่จะรู้ความหลอกเพราะคนต้องเลือกเฟ้นเความจริงมากกว่าเลือกเฟ้นเอาความหลอกใช่ไหมใครมันอยากโง่ยกมือนี่อยากจะเป็นคนถูกหลอกใครมันอยากโง่มันก็ต้องเลือกความจริงทั้งนั้นน่ะเท่าที่ตัวเองจะฉลาดใช่ไหมมันก็ต้องเลือกเอเขาก็เลือกเท่าที่เขาได้ อ, อย่างน้อยที่สุดคนมันก็จะตามคนที่เราเชื่อถือ คนเชื่อถือเลือกคนนี้เอาเราเลือกตามพรางงานใครที่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอันนี้เป็นมวลของสังคมมันเป็นสัจจะเลยมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมันจะนับถือกันเป็นต่อต่อตอต่อแล้วมันก็จะลากพืชขึ้นไปอันนี้เป็นสัจจะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าความจริงจะไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นอันที่อาตมาพูดตอนหลังเนี่ยมันเป็นสัจจะนับถือกันเป็นต่อต่อตอต่เพราะฉะนั้นมันเป็นความจริงที่ เลือกเฟ้นกันมาเป็นระดับพอถึงเวลาจวนแจหรือจวนจริงขึ้นมาปั๊บบทบาทนี่มันจะเกิดเพราะขอให้จริงแต่ว่าเราอย่าไปกลางเราอย่าไปอยากใหญ่อยากโตอยากไปเอาประโยชน์จากที่เราทำทําประโยชน์เสียสละไปเต็มที่เลยแล้วจริงใจแล้วก็อย่าทตัวเป็นชัดอินซะจนกระทั่งม้ไม่ต้องไม่ต้อง ก็อยู่ยังสงบสมดถากของเราไปตามพอสมควรแล้วจะเป็นไปเองอตามสมควรแล้วก็ต้องมาสนิ่งเกินไปว่า อ, อ๋อหน้าคุณต้องเป็นหัวหน้าคุณต้องขึ้นไปทำแล้วละมันเหมาะสมที่สุดแล้วเขาไม่ได้มีการเสแสร้งอะไรหรอกจริงใจทุกคนเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดเออไม่เอาไม่เป็นวะมากไปสมควรไหมมันเมื่อยก็ยอมเถอะมันหนักก็ต้องยอมเถอะเพราะมันจําเป็นเขาเห็นแล้วว่าคุณเนี่ยถูกที่สุดดีที่สุดแล้วไหนๆก็มาทําให้เขาเห็นอยู่แล้ว ถ้าคุณจะไม่ทําคุณก็หนีไปเข้าป่าเขาเขาก็ทํ า, า, า, าไปสิแต่นี่เขาก็เห็นแล้วว่าเขาก็ชัดเจนแล้วเขายืนยันว่าคุณนี่แหละสมควรที่สุดถูกต้องที่สุดเขาก็จะให้คุณเองนี่เป็นสัจจนะอเ น, นี่ยอัจฉริขยายความถึงเรื่องของมนุษยชาติเขาขยายความถึงเรื่องของสังคมตามที่อาจฉริยมีภูมิอธิจจบายให้ฟังไม่ใช่นักรัฐศาสตร์ไม่ใช่นักสังคมศาสตร์อะไร ไม่ได้เรียนมาไม่ได้จบนะไปพูดไปก็พูดถึงประวัติอีกนะแม้จะเป็นนักศึกษา ธ, ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งก็ไม่ได้ผ่านอาจารย์นี่เป็นนักศึกษา ธ, ธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์แต่ปีหนึ่งก็ไม่ผ่านจนเขาไล่ออกจนไม่ใช่อะไ ร, รไปจ่ายสตังค์ค่าธรรมเนียมบอกไม่ได้แล้วคุณครบอายุปีแล้วคุณต้องออกอาจาก็เลยไม่ไม่สมัครใหม่ ถ้าสมัครใหม่ก็ได้อีกก็ต่ออยู่ได้อีกก็ขี้เกยียจสมัครใหม่เพราะว่าตอนนั้นทํางานจัดก็เลยมีเวลาจับอะไรไม่ดีไม่มีมากก็เลยเออาำเป็นต้อะก็เลยไม่ก็เลยทิ้งทิ้งความเป็นนักศึกษาไปก็เลยไม่ได้อะไรกับเขาชาตินี้มันอาพับอปภากนะแต่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาว่าอาตมารู้เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอยู่พอสมควรที่นําพากันทําจนสามารถที่จะ ทำเศรษฐกิจเสสารไสาราารโอคีสาเร็จเนี่ยอาตมาอาตมาถือว่าอาตมามีความรู้เรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วก็นำพากันมีผลสาเร็จได้น่ะอาราอาตมาได้ใช้เวลาเทศถึงเรื่องพระราดอรภาพก็ได้ขยายความไปเห็นชัดแล้วว่าพระราดรภาพนั้นเป็นความหมายที่จริงและลึกซึ้งต่อการเป็นพี่น้องกันซึ่งมีตระกูลทางดีเอเอทางวิญญาณอ่ เป็นรากเงาของจิตจริงเป็นญาติธรรมที่แท้จริงเป็นญาติแท้จริงยิ่งกว่าสายเลือดสายเลือดนั้นชาติเดียวตายแล้วชาตินามันไม่ได้เป็นแล้วใช่ไหมแต่ทางจิตวิญญาณเนี่ยชาตินาชาตโนนชาติ โ, ตโอ้โหมันได้ดีเอมาแล้วมันไปตลอดเลยต่อให้คุณมาเป็นโพธิสัตว์ต่อไปทำตนศึกษาไปเป็นต้นตระกูลพระพุทธเจา้าองค์ใหม่ พอได้เป็นพุทธเจ้าองค์ใหม่คุณก็เป็นต้นตอดีเอเอใหม่แล้วก็สร้างญาติสร้างเราเราก็เผ่าพันธุ์อีกต่อไปก็จะมาสืบทอดกันไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติอันนี้เป็นเชื้อพันธุ์ที่ชัดเจนไหมอาตมาเดาเปล่าพูดโมเมหเปล่าเข้าใจไหมนี่คือเชื้อพันธุ์เผ่าพันธุ์ทางกรรมพันธุ์ที่แท้ซึ่งไม่ใช่สรีระพันธุ์ไม่ใช่ ยีนติกแค่สรีระพันธุ์ไอ้ น, นั้นมันชาติเดียวคนตานไปแล้วคุณไม่เกิดไปชาติหน้าได้สรีระใหม่ดีเออใหม่เปลี่ยนแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องชี้ไปที่แซมดินคนเดียวคนอื่นๆก็ทั้งนั้นตายชาตินี้แล้วชาติหน้าก็เปลี่ยนแล้วดีเอแต่วิญญาณไม่มีเปลี่ยนขอให้เข้าเป็นอริยะบุคคลที่แท้จริงเป็นเชื้อพุทธที่แท้จริงเหรออย่างสมาธิ จิตนะเชื่อนิจิี่จิตไม่ใช่อยู่ที่รูปธรรมดินน้าไฟลมแต่อยู่ที่จิตปัญญาที่เป็นสิ่งที่เป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตัดสู่แล้วเอามาประกาศเผยแพร่รงานพวเราก็ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วอาตมาว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติที่น่าได้ที่สุดเชื่อไ้ยเนี่ยคุณจะล่าราบยศสันเซโลกีสุเป็นโล ก, กธรรม อย่าไปแข่งเลยกับคุณธนินตอนนี้คุณธนินมาวินในเรื่องทรัพย์สินทักษิณเขายัางอยู่ในอันดับที่ห้านี่ฟ๊อกก็ตรวจสอบมาใหม่ๆนี่อาจจะมาดูตามข่าวๆธนินเบอร์หนึ่งในประเทศไทยอย่าไปแข่งเขาเลยนร่จะไปแข่งบิลเกจะไปแข่งอะไรเขาผัดเปลี่ยนกันอยู่ บ, บอลเลนบอบเฟตหรือใครอีกนะ อะไรเป็นอิสลามอีกคนหนึ่งอะ่ะอีกอิสลามีคนหนึ่งเขาก็รวยระดับเนี่ยสามคนเนี่ยชิงตำแหน่งกันผัดกันไปมาอยู่เป็นที่หนึ่งของโลกอ่าเป็นอิสลามีคนนะ่ะที่รวยเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันสลับกันอยู่กับเขาแต่บิสเกตมันจะคลองมากหน่อยนะบ๊อบอเลนบ๊อเฟตก็สู้ยืนยงสู้ไม่ได้เพราะว่า เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านพวกนี้สแปรอะไรพวกนี้ของมีเก่งเราเนี่ยมันกําลังรุ่งมันกำลังรุง่งมันกําลังจะไปอีกไกลเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะยืนอีกนานก า, ารเอาคําเปรียบอหรักทางด้านนี้มันจะได้อีกนา น, นาเอาละอาตมาใช้เวลามาที่จริงครบที่จริงครบเวลาที่จริงตามเวลานะแต่ที่จริงไม่ครบตามที่เราได้ล่วงเลยมาตอนมารวมพลกันเริ่มเทศ มันเส้เวลาไปหลายนาทีนะก็ยังไม่ครบทีเดียวคือใช้เนื้อเทศแท้ๆนี่สองชั่วโมงมยังไม่เต็มก็ อ, อาละอัตมาคิดว่าได้สรุปแล้วแม้แต่ลงท้ายว่าภัยไทยเฉยก็ได้บอกถึงสัจธรรมกันแล้วว่าหยุดเสิทธีเถอะไปเข้าใจอุเบกขาหรือความเป็นกลางหรือความเฉยชนิดที่มิจฉาทิฐิ ก, ก็ดีโง่ ก, ก็ดีก็ใช้ปัญญาที่แท้จริงแลวประพฤติให้มันได้ว่าเรา ความเป็นกลางต้องส่งเสริมเข้าข้างช่วยกันกับคนดีและการเป็นคนดีนั้นไม่ไปทำร้ายใครแม้เข้าข้างคนดีก็ไม่แ่ว่าจะไปฆ่าไปแกงคนชั่วเขาคนชั่วเขาบาปอยู่แล้วไม่ต้องไปฆ่าไปแกงเขาหรอกเป็นแต่เพียงว่าเราไปช่วยกันยิ่งเป็นระบบประชาธิปไตยในโลกทุกวันนี้มันถึงที่แล้วประท้วงโดยสงบไม่ต้องฆ่าแกงไม่ต้องมีรุนแรงอะไรกัน ได้ต้องยอมรับหลดหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นถ้ามีมวลจริงๆเป็นมานอเรตี้รูนก็ไม่ใช่ม ajorit รูนออกมาเลยจริงๆเลยตามหลักเกณฑ์ตามรูนรอดชนะแล้วอัตมาว่าเมืองไทยน่าจะเป็นตัวอย่างของโลกเขายังมีการรุนแรงกันไม่ว่าอียิปต์ที่เป็นอยู่ตอนนี้อียิปต์นี่ล่าสุดชนะแล้วตามหลังอะไรมั่งอ่ะตามหลัง ก็อะไรกัตอะไรกตดฟี่ตามหลังริเบียตามหลังซีเรียอะไรพวกนี้คนไทยน่าจะงามกว่านั้นเป็นประชาธิปไตยที่ใช้หลักเกณฑ์ใช้รูมของสากลเลยเป็นมาจาริตีรูมที่ชนะอย่างสงบไม่มีอาวุธเรียกร้องกันอย่างอยอมแพ้กันอย่างดีเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าคนไทยนี่ลาดจริง แล้วก็รู้จักประชาธิปไตยจริงออกมาสามสิบล้านอย่างอาตมาว่าโอ้โหประเทศไทยเป็นมหาอำนาจแน่นอนประเทศโลกจะยอมสยบเลยจริงถ้าออกมาถึงสามสิบล้านนี่นะในพลเมืองหกสิบล้านนี่รับรองชนะอย่างที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเอาเส้นผมโคนเะเ้นแลนันเส้นไปยื่นเขาอย่างี้เขากวิ่งหนีแล้ว ไม่ต้องเอาเอาวุธอื่นเลยเอาเส้นผมไปยื่อเลยเขามีแรงอำนาจแค่เส้นผมยื้อเอาไม่ได้มาอะไรจะเอาเส้นผ ม, มให้คุณนะ่ะรับรองเขาวิ่งจูดเลยมันจริงหรือเปล่าจะเ อ, า เ, มม า, า, อ, เอาเส้นผมให้คุณจริงหรือเปล่าวันนี้นอกเหนือกวเส้นผมอะไรบ้างรับรองมันไม่กล้าอยู่รอรับเส้นผมหรอกคุณคนพวกนี้ เขาจะไม่ไว้ใจพวกนี้ว่ามันจะมันรับเส้นผมจริงหรือเปล่ามันจะเอาเส้นผมมาให้เรามันมีน่องเนยขนาดว่ามันจะพัวเราสักนิดมันจะพ่าเราสักหน่อยหรือเปล่าวะหรือมันจะตึ๊บเราบ้างหน่อยหรือเปล่ามันจะทนได้ไหมเนี่ยนนี่ก็พูดถึงจิตวิทยาสังคมมนุษยชาติมันก็เป็นอย่างนั้นนะอ้าวเลยเวลาเข้าไปละก็ขอต่อกันสุดท้ายจากนักต่อสู้ภาคประชาชนมีคนฝากถามมาว่า การที่คนมารวมตัวกันที่ท้องสนามหลวงณตอนนี้พ่อท่านมีความคิดเห็นยังไงคนที่ไปรวมตัวด้วยความบริสุทธิ์อารมการรักบ้านรักเมืองรักสถาบันควรจะตรึงพื้นที่ไว้ต่อหรือยังไงบ้างขอความคิดเห็นปรึกษาถามพ่อท่านค่ะ <c oughs> อาจจะมาว่าถ้าเผื่อว่าทางสนามหลวงที่เขาตรึงอะไรใจขึ้นไว้อยู่เนี่ยมันทาให้เกิด กิจวัตรขึ้นมาถ้ามันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะอ่านว่าเออมันมันยอมแล้วมันเงียบแล้วอ่มันหยุดแล้วอ่าเขาก็จะหามมันยอมแล้วมันหยุดแล้วเขาก็จะหามเขาก็จะกลางเขาก็จะทําอะไรตามมาเพอใจรุนแรงยิ่งขึ้นแต่ถ้าเขาเห็นว่ามันมีรีแอคชั่มันมีอะไรที่ตามอยู่บ้างจะน้อ ย, น, อยนิดๆก็ตาม มันก็จะเกิดพลังต้านไว้ดอยเพราะฉะนั้นเชื้อที่ต้านไว้อยู่นี่ต้องเป็นบุญคุณบุญคุณของสนามหลวงที่คณะสนามหลวงเขาทำอยู่แน่นอนคนเรามันมีแอบแฝงติดลาบยศสนเสริญอยู่มีบ้างแต่เ้าทำได้อย่างเสียสละอย่างได้ขนาดนี้อาตมาก็ยกย่องแล้วสำหรับคณะที่ทำอยู่ที่สนามหลวงแล้วก็เรียกร้องกันว่าให้กองทัพทำ ให้ชาวโศกออกไปร่วงอัตมาบอกว่าจิตวิทยาสังคมขณะ น, น, นี้มันมันแหลมคมมากมันเซนซิเบิลอย่างสุดเลยอัตมาอธิบายพวกเราฟังก็เข้าใจกันยากออัตมามันพูดไปได้มันเป็น psychology อย่างหนึ่งมันจิตวิทยาสังคมเพราะาอัตมาพูดไปก็ไม่ดีแต่ขอให้เชื่อเชื่อน้ำใจเถอะว่าอัตมาไม่มีอคติ อาตมา ก, ก็บอกชาวโซ่เรายังทำ ท, ำทำอย่างซื่อสัตย์สุจริตสูงสุดที่จะทำได้เราร่วมมือกับสังคมอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ดูดายและเราไม่ได้เห็นแก่ตัวอาตมาไม่ได้พาพวกเราเห็นแก่ตัวเลยเสียสละตามสมควรเต็มที่และองค์ประกอบของมันที่อาตมาดูแล้วองค์ประกอบทั้งหลายแหล่ของมันเนี่ย composition ของมันต่างๆและอาตมา ก, ก็จัดสรร ให้มันดีที่สุดให้มันดูดีที่สุดให้มันอยู่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดก็ทำตามควรใช้วิธีนั้นจริงๆก็ตอบได้ว่าอยากให้ชาวโศกออกไปประเจิดประเจิดฟังเอานะอรรมาชัยสับนี้อยากให้ชาวโสกไปประเจิดประเจิดเลยไม่ดีหรอกเสียอายทีหนึ่งแล้ว ไปร่วมกันที่จะถวายพระพรชาติพันธ์อีกทีนึงแล้วมันเป็นคำตอบที่อาตมาพอแล้วว่าคนชั่วทำชั่วได้อย่างมาบ้าเพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่ไปเอาไม้สั้นไปรันขี้หรือว่าไปแย่มาบ้าไม่เข้าทา่าอาตมาพูดได้แค่นี้นะแต่สิ่งที่ ควรสนับสนุนนั้นช่วยกันทอาอโศกก็ไม่ดูดายแน่นอนนะแต่จะช่วยแค่ไหนก็ช่วยเท่าที่ช่วยนะอาตมาว่าที่อาตมาพูดไปเนี่ยจะดีอยู่อย่างนึงเขาไม่ค่อยฟังอโศกพูดเท่าไรหรอกแต่ถ้าเขาฟังก็ต้องก็ต้องพูดได้ขนาดนี้แหละนะสรุปแล้วก็คือหยุดไทเฉยกันสักที แล้วก็มาพิสูจน์ความจริงทีว่าไทยเนี่ยจะเหนือชั้นกว่าอียิปต์จะเหนือชั้นกว่าซีเรียรจะเหนือชั้นกว่าลิเบียไหมนะไม่ใช่ว่าให้เอาชนะค้าคารเขานะแต่มันเป็นคุณธรรมที่แท้จริงถ้าไทยมีปัญญาตื่นตัวและทำได้ไม่กลายเป็นไทยเฉยจะเป็นไทยชนะเอวัง